ตอนหลักการทางศาสนาขอากราบนมัส ก, การพระคุณเจ้าสมมเณรคุณไมชีกัลยาณมิตรทุกท่านก็นั่งสบายๆเนาะวันเสาร์เริ่มเรื่องอะไรถ้าจะเริ่มตามขึ้นมันจะแรงเนาะวันนี้บอกแก้วละส่งสิกแนลถ้าไปพูดเรื่องแรงๆนี่ให้ยกมือขึ้นคือจิตพระครูไม่ได้เตรียมตัว มันจะพูดตามขึ้นเวลานั้นแล้วขึ้นเวลานี้คนไทยกนลังทุกข์อะไรเราก็รู้นี่คือธรรม ะ, ะธรรมะคือสัจธรรมสัจธรรมคือความจรงิงการที่เอาความจริงมาสนทนากันคือการแสดงธรรมอย่างหนึ่งธรรมะไม่ใช่ภาษาบาลีธรรมะไม่ใช่อยู่ที่อินเดียหรือภูเขาหิ ม, มาลายัยธรรมะคือธรรมดาคือธรรมชาติคือความจรงิง ซึ่งมันเกิดขึ้ น, นก็เนื่องจากมีกลุ่มญาติธรรมพวกครูเรียกกลุ่มประตูน้ำผิดไหมเรียกอะไรมันก็ชื่อสมมุตินะจะได้รู้ว่ากลุ่มคณะนี้ก็นานๆมาทีหนึ่งก็ไม่ได้อยู่ถึงวันมาฆบูชาเนาะแต่อย่างว่าเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นเดือนมาฆบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญวันหนึ่งไม่แพ้วันไห น, นของพุทธศาสนาเราก็เรียกว่าเป็นวัน พระธรรมนะระหว่างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะสคัญหมดแต่ผู้เจ้าตัดไว้เองว่าจงยึดพระธรรมเป็นสารณะเห็นไหมผู้ที่เจ้าก็สมมุติชื่อว่าพระเจ้าก็ชื่อว่ า, วาเป็นชื่อสมมุตินะแต่พระธรรมนั้นอยู่คู่โลกคู่จั ก, กรวาล น, นะอีกกี่ล้านปีก็คงอยู่นะก็ เป็นวันแห่งพระธรรมซึ่งวันนี้ผู้เจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกนะที่เรานั่งเถียงกันว่าอันนี้พทดแท้พูดเทียมวิธีนี้ถูกต้องวิธีนั้นผิดอะไรเนี่ยนะเราก็ไม่รู้เอ๊ะมันถูกหรือเปล่าบางคนปฏิบัติแล้วก็ก็ดีขึ้นอยู่ก็มาถามพระครูว่าเอ๊ะวิธีที่เราทำมันถูกไหมเห็นหมเรายังสงสัยอยู่นะเพราะเราไปนเน้นที่วิธี ทั้งโลกทะเลาะ ก, กันทุกวันนี้บ้านเมืองทะเลาะ ก, กันก็ไปติดอยู่ที่วิธีมันบริหารโดยวิธีคอร์รัปชันอย่างนี้นะมันบริหารโดยมันไม่ถูกต้องเราไปติดที่วิธีจนเราลืมหลักการเอาเป็นว่าผู้เจ้าวันนี้แสดงแก่นพุทธศาสนานะสั้นๆโอวาทปาติโมกนะก็คือมีหลักการ3อุดมการสี่วิธีการห ถ้าเราจะรู้ว่าเอ๊ะมันใช่หรือไม่ใช่คำสอนพุทธเจ้าเนี่ยดูแค่นี้นะหลักการสามก็คือการไม่ทำบาปทั้งปวงนะก็คือละชั่วนั่นแหละการทำกุศลให้ถึงพร้อมก็คือทำดีนั่นแหละนะและอันที่สามก็คือการขัดเกลาจิตให้ผ่องใสมีสามอย่างอันนี้คือหลักการของพุทธศาสนา ส่วนเทคนิคอุบายวิธีในการฝึกจิตในการฝึกสมาธิเจริญสติมันเป็นข้อปีกย่อยแต่ตอนนี้เราเอาข้อปีกย่อยนี่มาเป็นประธานมาสร้างแบรนด์เนมมาสร้างแกงสร้างกวนแย่งชิงมวลชนกันก็ทะเลาะกันหลักการมีอยู่แค่นี้ส่วนทาเราไม่ทําบาปทั้งปวงพระองค์ก็เอาศีลมาให้เราเป็นข้อกำกับถ้าคนยังไม่มีศีลก็ต้องถือศีล น, นะ ต้องถือคล้ายๆว่าเอะเราไม่รู้ว่าเมืองไทยกติกาว่ายังไงไปอเมริกาก็อีกแบบหนึ่งจีนก็อีกแบบหนึ่งคดีเดียวกันเราบอกว่าผิดเขาบอกว่าถูกใช่ไหมอันนี้คือเป็นข้อกำหนดให้เราอยู่ร่วมกันโดยสันติก็อันหนึ่งคือละชั่วพระองค์ก็เอาศีลมาให้ให้เราใช้ะให้เราเป็นที่ยึดเราจะได้รู้ว่าอะไรควรทาไม่ควรทา อย่างศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลปฏิโมกนะอันนี้เกิดขึ้นทีหลังจริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่ในโลกนี้หลังจากเจ้าชายศิริฐาตัสสรูทําเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยใช่ไหมละ่ะหมู่คณะมาอยู่ร่วมกันนะแม้กระทั่งคนมุ่งมั่นปฏิบัติเหมือนกันตั้งแต่พุทธกาลก็มีเรื่องไม่ใช่ทุกยี้เราอยู่ด้วยกันมีเรื่องนะมีตั้งแต่นวนล่ะก็เลยตั้งกติกากันเป็นในกติกาในการอยู่ร่วม พระภิกษุเนื่องจากเป็นพุทธบริษัทสี่แนวหน้าก็ต้องกำกับตัวเองให้มากหน่อยสินสองอยี่สิบเจ็ดเห็นไหมเนนก็สินสิบเห็นไหมไม่ชีเราก็สินแปดนะดูบาศวิชาที่จะต้องปฏิบัติคือว่าปกติเรามีสินห้าอยู่แล้วเราต้องการพัฒนาตัวเองให้ลดละเลิกแล้วก็ลองต้องถือถือสินเพราะเรายังไม่มีสิน นะพวกครูเองเนี่ยไปเห็นศีลจริงๆเนี่ยเมื่อ25ปีก่อนนะ40ปีวิ่งไปตามโลกศีลห้าบอกไม่ให้ทำอะไรทําหมดยิงนกตกปลากินเหล้าสูบบุหรี่เราเป็นพ่อค้าเราคิดว่ากโกหกคือเทคนิคนะเราไม่มีศีลแบบนั้นนะพอมันเกิดอาการสามชั่วโมงที่มันระเบิดแล้วเนี่ย สูบบุหรี่ไม่ได้กินเหล้าไม่ได้เลิกตีกอล์ฟเล่นการพ น, นันเลิกเลิกเลิ ก, เ ล, กเลิกหมดไม่มีเหตุต้องโกหกเลยมันเป็นศีลแล้วแล้วยีิบห้าปีมาอยู่ที่นี่ก็บังเอิญไม่ต้องถือศีลแต่มันไม่ทำชั่วแน่นอนไม่ว่าต่อหน้าหรือรับหลังศีลคือความปกติของจิตเห็นไหมแต่ถ้าความปกติของจิตปกติทุกดวงจิตมีอยู่แล้วนะทาซานมีศีลห้ายอยู่แล้วนะ เด็กๆ เ, เกิดมามันมีศีลห้าอยู่แล้วนะมาเราเรียนไปเรียนมาตอนนี้เนี่ยศีลมันหายไปไหนต้องถูกบงังคับให้ถือศีลห้าเห็นไหมศีลคือความปกติถามว่าทาสานกินเหล้าไหมเอาเหล้ายี่ห้อแพงแพงที่สุดในโลกให้ทาซานกินมันบอกอุ้ยเหม็นไม่รู้อะไรก็ไม่รู้มันไม่กินนะเอาบุหรี่แพงที่สุดในโลกให้มันสูบอุ้ยอะไรก็ไม่รู้เหม็น ไหมนันมันต้องโกหกไหมมันพูดภาษาก็ไม่เป็นร่วมจะโกหกทําไมมันไม่มีความอยากทำไมต้องโกหกเห็นไหมศีลคือความปกติของจิตแต่ตอนนี้เราไปเรียนไปเรียนมาปุ๊บศีลเราหายไปไหนก็ต้องถือศีลเห็นไหมพระพุทธเจ้าก็ให้ข้อกากับในการอยู่ร่วมเราเป็นผู้ครองเรือนเราต้องทำมาหากินนะก็เราไม่รู้ว่าเอ๊ะอันนี้ทำดีไม่ดี แล้วก็เอาสินมากําหนดว่ามันมีผิดสินข้อไหนไหมถ้าผิดก็อย่าทําแล้วตอนนี้ทุกคนหันมามองตัวเองนะนะยุคยิ่งขัดแย้งตอนนี้เนี่ยมีศินจริงไหมสมมติว่าเราว่าคนอื่นเขาไม่มีศินเขาเลวเขาชั่วแล้วเรานี่บริสุทธิ์หรื อ, อยังนะเราผิดสินข้อไหนบ้างในห้าข้อเห็นไหมอันนี้แหะคือเป็นกลัวกํา ก, กับให้เราไม่ทําบาปทั้งปวง ละเว้นการทำบาปทั้งปวงใช่ไหมและทำดียังไงนะเทคนิคในการทำดีก็มีหลายเทคนิคบางคนทำดีโดยไปเลี้ยงพระที่วัดไปช่วยกันสร้างวัดช่วยกันจันหลงพศาสนาบางคนทำดีโดยการมาเลี้ยงดูเด็กยากจนเด็กด้อยโอกาสหรือให้ผู้ที่เขาด้อยกว่า บางคนทําดีโดยมีเมตตาเลยให้อภัยเรื่อยะมันไม่เหมือนกันเห็นไหมอย่างเรื่องศีลมันกันมันคนถือศีลแบบไม่ใส่รองเท้าไม่กินเนื้อสัตว์มันก็เป็นอุบายที่ต่างกันเท่านั้นเองนะตอนนี้เราไปทะเลาะกันเรื่องข้อปิดย่อยเรื่องเทคนิคน ะ, นะทะเลาะกันปุ๊บมีผิดศีลหมดทั้งคู่เลยต่างคนต่างสร้างวฤีกรรมเห็นไหม เนี่ยเป็นข้อกำกับง่ายๆเดี๋ยวเฉพาพวกเราผู้ครองเรือนเนี่ยว่ามีศีลห้านี่เป็นตัวกำกับว่าอะไรควรทำไม่ควรทำจริงๆแล้วอยู่ในศูนย์นี้ไม่มีข้อกำกับไม่มีข้อบังคับแต่ที่นี้บางคนเขาไม่รู้ว่าเอะจะทำตัวอย่างไรนะเออมันทำตัวไม่ถูกจริงๆแล้วเอาแค่สองข้อก็พอนะศีลเรามีสองข้อก็พอหนึ่งไม่เบียดเบียนตัวเอง สองไม่เบียดเบียนผู้อื่นถ้าทำอะไรลงไปเนี่ยมีการเบียดเบียนเกิดขึ้นไม่ทำมันจะเร็วที่เขาบอกว่าคนโบราณก็บอกชั่วช่างชีดีช่างสงนั่นแหละเฮ้ยได้ยังไงได้ยังไง อ, อ่ไม่ได้แล้วยังไงล่ะเราไม่ใช่สามเราไม่ใช่ยมพบาลไปแย่งงานยมพบาลทําทำระวังนะระวังไม่ใช่หน้าที่เรานี่แหละ ถ้าศีลกำกับชีวิตเราเนี่ยง่ายๆแค่สองข้อหนึ่งไม่เบียดเบียนตัวเองสองไม่เบียดเบียนผู้อื่นไปอย่างไรก็พรวกทุเร้ายิ่งใหญ่มากเห็นไหมหลักการสามอย่างเนี่ยถ้าใครทําได้เนี่ยนิพพานอยู่ใกล้ๆไม่ใช่แค่เคร่งศีลถือศีลเป็นคนดีอย่างเดียวไม่ใช่ส่วนมากเราหลงว่ามันเราเป็นคนดี ไม่เคยทำดีเลยอย่างน่าเราแค่คนไม่ทำชั่วเท่านั้นเองอพ่อครูอยู่ที่นี่หลายปีแล้วเนาะโดยเฉพาะญาติที่ทำที่อยู่เก่าๆบางทีเขาอาจจะเป็นห่วงพ่อครูก็ได้อายุก็มากขึ้นเอ้ะสร้างอีกแล้วอะสร้างอีกแล้วสร้างเพื่อใครสร้างทำไมไม่ใช่สร้างฐานะเพื่อความมั่งคั่งของตัวเองสร้างเพื่อให้ ไม่ใช่สร้างเพื่อความยิ่งใหญ่ของวัตถุไอ้คนที่ให้ไม่ได้นั่นก็ไปมองจับถูกจับผิดตัวเองก็เลยพลาดโอกาสในการทําความดีตัวเองไม่ทําความดีก็ไม่พอก็ไปจับผิดว่ามึงชั่วมึงชั่วในขณะที่ตัวเองไม่ทำชั่วแต่ก็ยังไม่ได้ทำดีเห่ไหมเป็นแค่คนไม่ชั่วเท่านั้นเองแต่ยังไม่คนไม่ใช่เป็นคนทาดีเห็นไหมถ้าเราเข้าใจคาสอนพระเจ้าแค่สามข้อเนี่ยนะละชั่วทาดี ทำดีผู้เจ้าก็ให้กำกับเราก็คือเรื่องทานทานศีลภาวนาเห็นไหมโอวาทปาฏิโมกละชั่วทำดีขัดเกลาจิตให้ผ่องใสแล้วทำยังไงละชั่วยยังไงก็ศีลมีตัวกำกับศีลแต่ถ้าเราเข้าถึงตรงนั้นแล้วจิตเราเข้าสู่สภาวะเดิมแล้วเนี่ยไม่ต้องถือศีลให้มันยากมันเป็นศีลแล้วคือความเกติมันไม่ต้องถือศีลเลยบางทีทุกวันนี้บางทีมือถือสากปากถือศีลถือถื อ, ถอดุ ด, ด, ด บอกเธอนับถือศาสนาอะไรนับถือศาสนาพุทธบางทีปากก็นับไปมือก็ถือไปไม่รู้ว่าถืออะไรไว้อยู่พ่อครูนี่แหละคนหนึ่ง40ปีเขาให้ถือนับถือศาสนาพุทธนะตั้งแต่ทะเบียนบ้านแหละแต่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรใช่ไหมแต่25ปีนี้เราไม่ต้องนับถือนะคำว่านับถือนี่หยาบมากนะพ่อครูบูชาถวายชีวิต ถ้าเราเข้าถึงตรงนั้นนะไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่กว่าอย่างนั้นนะทาดีก็คือทานวัตถุทานธรรมทานอภัยทานตอนนี้คนทั้งโลกเนี่ยอภัยทานไม่ได้เร็วๆนี้เนี่ยแปลกมากนะช่วงใกล้ๆนีมีรัฐบุรุษของโลกนะโดยเฉพาะอาดีตประธานาธิบดีเนลสันเมเดลานะเพิ่งเสียชีวิต ผู้นำโลกไปหมดเลยงานศพนะเขาเป็นแบบอย่างเขาถูกติดคุก3าเจ็ดปีโดยฝีมือคนผิวขาวเขาเป็นคนผิวดังพ่ะครูอ่านประวัติแล้วพระครูเ ล, ลว่าเขาดวงตาเห็นธรรมในคุกนั่นแหละเขาเห็นทุกเขาจึงเห็นธรรมพอท่านออกมาแล้วเนี่ยบังเอิญเขาได้มีอำนาจรัทเป็นประธานาธิบดีแทนที่จะแก้แค้นไม่เขาเอาศัตรูที่เคย ลังแกเขาเนี่ยมาเป็นมิตรมาร่วมกันบริหารนะเขาพูดคำว่าถ้าต้องการให้สันติสุขติวขึ้นจริงๆเนี่ยต้องคุยกับศัตรูเอาศัตรูมาเป็นมิตรไม่ใช่ไปด่ามันมันจะเกิดสันติสุขไม่ได้นะอันนี้เป็นแบบอย่างที่ดีนะอันนี้ไม่ใช่ใครๆก็ทำได้ถ้าจิตไม่ถึงตรงนั้นหละความเครียดแค้นความพยาบาทเนี่ยมันไม่ยอม อันนี้เขาไม่ใช่ว่าให้อภัยเฉยๆนะอภัยว่าเออช่างมึงเถอะกูลืมไปแล้วฉันเป็นใหญ่แล้วนะนี่ไม่ใช่นะเขายังดึงมาเป็นพวกด้วยเนี่ยสรรพสุขถึงจะเกิดขึ้นแต่ผู้นำทั้งโลกก็ไปก็ไปเห็นก็อ่านประวัติหมดแ่ะแต่มันเข้าใจมันไม่เข้าจิตสมองรู้แต่จิตไม่รู้เห็นไหมละ่ะโลกมันถึงวุ่นวายอย่างนี้นะเพราะเราไม่ยอมทาดีกันโดยเฉพาะตัวให้อภัยทาน ให้ได้ยังไงมันผิดมันผิดเอา้าถ้าไม่มีคนผิดเราจะให้อภัยใครล่ะลองให้อภัยคนที่เขาอยู่เฉยๆบอกฉันให้อภัยเธอเขาจะด่าเราด้วยนะเธอให้อภัยฉันทําไมเธอดูถูกฉันหรือวฉันทําผิดมนุษย์เราไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะตอนนี้ก็คืออันนี้คือทําดีส่วนขัดเกลาจิตให้ผ่องใสก็คือภาวนาภาวนาไม่ใช่ท่องมนสวดมนต์อย่างเดียวนะอันนั้นก็เป็นพื้นฐาน การสวดมนต์ท่องบนต่างๆนั้นเป็นอุบายวิธีที่ให้จิตเราจดจ่อเป็นการทําสมาธิเบื้องต้นนะเป็นระดับสัมมัตกรรมฐานและเราจะได้ไม่ต้องคิดถ้าคิดป่วยสวดปุ้ยมันก็สวดผิดนะอันนั้นเป็นอุบายวิธีเฉยๆนะแต่เมื่อจะไปติดสวดสวดสวดอยู่ในสัมมถติตรงนั้นแล้วเนี่ยมันได้ความสงบชั่วครู่ตอนที่เราสวดแต่มันเข้าถึงกล่องปัญญาไม่ได้นะ พ่อคูเคยไปอินเดียเมื่อหลายสา3สองสาปีก่อนนะก็ไปเจอกรุ๊ปหนึ่งคุณลุงเป็นข้าราชการเกษียณที่เชียงใหม่ไปด้วยกันถ้าเขาพักที่วัดไทยวัดลาววัด เ, เกาหลีอะไรเนี่ยพ่อคูจะไปกลางกดนอนอยู่คนเดียววันนั้นเขาไปนอนที่โรงแรมนะมันไม่มีวัดให้อยู่น ะ, นะก็อยู่ด้วยกันห้องหนึ่งเจ็ดปดคน คุณลุงแกก็สวดมนต์เขานอนหลับหมดแกก็สวดมดนตะ์ก่อนจะเข้าห้องแกก็คุยว่าแกสวดมนต์มายี่สิบกว่าปีนะครับกลางคืนก็สวดตอนเช้าเขา ย, ยังไม่ตื่นแกก็สวดปลุกเขาตื่นนะไหมพอออกจากห้องมาเจอลูกสาวก็สวดลูกสา ว, ส ว, สาวต่อทะเลาะ ก, กันแสดงว่าสวดบ่อยๆลูกสาวต่อหน้าคนอื่นนะอย่ามายุ่งกับชีวิตฉันได้ไหม ถ้าสวดแบบนี้สวดไปทำไมเสียเวลาถ้าสวดแล้วต้องให้มันมีสติจริงๆให้มันควบคุมอารมณ์ได้อันนี้สวดแค่รูปแบบแล้วก็ไปคุยโม้โอ้อวดว่าฉันสวดมายี่สิบกว่าปีพวกนี้มันเป็นแค่รูปแบบเขาไปติดรูปแบบมันเข้าไม่ถึงแก่นไงตอนนี้โลกมันถึงวุ่นวายไปหมดโดยเฉพาะเมืองไทยเราเนี่ยนะ ทุกหมู่บ้านตำบลมีวัดวาลามเต็มไปหมดเรามีพุธทธศาสนิกชนปด้ารซแต่ทะเลาะ ก, กันทั้งบ้านทั้งเมืองก็มวจะทำอะไรมวลจะสวดมนต์แบบนั้นน่ะแหละไปเจริญภาวนาก็ไปติดในรูปแบบวางตัวให้มันขังฉันหลอกเธอเธอหลอกฉันแล้วสุดท้ายเนี่ยฉันก็ไม่ได้อะไรเธอก็ไม่ได้อะไรไปรักษารูปแบบเฉยมันหมดเวลาแล้วนะมันจะไปไม่รอดแล้ว นะก็นี่แหละหลักการสามข้อง่ายง่ายง่ายที่สุดในโลกในจักรวาลไม่มีสูตรศาสตร์ไหนที่ง่ายกว่าอย่างนี้เห็นไหมทำดีละชั่วขัดเกลาจิตให้ผ่องใสทำดีบางทีไม่ต้องใช้เทคโนโลยีเลยไอ้ดีสูงสุดนั่นคืออภัยทานไม่ต้องเสียตังค์ด้วยเห็นไหม ไม่ต้องใช้เทคโนโลยีอะไรเลยใช่ไหมให้ไม่ได้ละชั่วก็ยิงง่ายใหญ่เลยถ้าไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดไม่ต้องทำอะไรเลยนะหรือว่าคิดพูดทำมีเจตนาร้ายอะไรกับเขาเนี่ยเห็นไหมไม่ต้องใช้เทคโนโลยีอีกการเจริญภาวนานะการเจริญยิปสนาเนี่ยก็ไม่ต้องใช้เทคโนโลยี มันมีศาสตร์ศาสตร์ไหนที่มันง่ายขนาดนี้แล้วก็ถ้าทำได้เนี่ยมันแปลกมากเลยมันง่ายที่สุดเลยนะไม่ต้องลงทุนอะไรมากแต่พอมันเกิดผลมาแล้วเนี่ยผลมันเนี่ยกี่แสนล้านก็ซื้อไม่ได้เราจะแก้ปัญหาชีวิตเราเนี่ยในวัตฏะสงสารเลยไม่ใช่ชีวิตในชาติเดียวนะมันมีอะไรที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นแล้วก็ง่ายขนาดนี้ ไม่มีนี่แหละที่พระครูบอกว่ายี่บห้าปีก่อนถวายชีวิตเลยไม่ลังเลสงสัยใครจะคุยโม้โอ้อดว่าจะรู้อะไรก็รู้ไปแทนที่จะ เ, เวลามามาดำเนินมาเจริญมรรคมาจัดการตัวเองเหรอเอาเวลาไปทะเลาะบ่แวงกันสร้างเวรสร้างกรรมไม่หยุดนะอันนี้คือหลักการสามแล้วก็มีข้อกำกับคืออุดมการสี่ นะเราทำสามอย่างนี้ทำดีละชั่วขัดเกลาจิตให้ผ่องใสทำดีทำแค่พอดีแต่ไม่ติดดีไอคนติดดีนั่นแหละมันจะไปมองว่าคนอื่นชั่วไปว่าเขาตัวเองก็เคยกลายเป็นคนไม่ดีสร้างวจีกกรมแล้วเห็นไหมละ่ะคนดีจริงๆจะไปด่าเขาทาไมเห็นไหมอย่างมากเราเอาศีลมากำกับเราจะเป็นแค่คนไม่ชั่วเฉย เราเคยทำดีแค่ไหนนะเอาเป็นว่าหลักการสามข้อง่ายๆแล้วก็มีข้อกากับก็คืออุดมการศีตัวแรกตัวสำคัญมากคือต้องมีขันติความอดทนอ ด, อ, ดอดกั้นต่อการทำบาปทั้งกายวาจาใจก็อันนี้ก็คือละชั่วนัว่นแหละทีนี้ก็บอกเอ๊ะละชั่วละชั่วยังไงนะถ้าเราไม่อดทนอดกั้นเนี่ยเราสู้กิเลสเราไม่ได้ไง พอเขาด่ามามันเจ็บใจเห็นไหมบอกเจ็บใจเจ็บใจมันจะขาดใจตายแล้วจะ น, นอนไม่หลับเลยว่ามึงต้องด่ามันไปคืนเรากลัวมันเจ็บใจเราก็เลยสนองมันแล้วก็ได้ด่ามันไปคืนเพราะด่าไปคืนมันบอกว่าดีใจดีใจเห็นไหมมันดีใจเพราะเราเป็นคนมักง่ายไงเรากลัวเจ็บใจเราก็ทําตามใจมันเลยด่ามันไปเลย มันก็บอกดีใจแล้วไงเห็นไหมเธอด่ามันเลยเธอได้รางวัลเธอดีใจพอมันดีใจปุ๊มันก็ออกลูกออกลูกอีกแล้วเพราะมันมีพลังไงพอเขาด่ามาคืนแรงอีกมันบอกว่ามันเจ็บใจอีกแล้วมันเจ็บใจไม่พอลูกมันก็เจ็บด้วยตอนนี้ด่าไม่พอแล้วลูกมันไม่พอกินมันบอกตกไปเลยตบไปเลยเราเป็นคนมักง่ายเรากลัวมันเจ็บใจเราก็ด่า เขาตบออกไปเลยไงบอกสะใจลูกมันก็สะใจมันดีใจมากลูกมันมีแรงมันก็ออกหลานอีกตอนนี้เขาตบมาคืนอีกมันบอกว่าไม่ใช่มันเจ็บใจคนเดียวน่ะลูกมันก็เจ็บหลานมันก็เจ็บมันบอกตบไม่พอแล้วฆ่ามันเลยยิงมันเลยถ้าเราเป็นคนมักง่ายเรากลัวมันเจ็บใจตอนนี้มันเจ็บมากมเลยเพราะว่ามันก็เจ็บลูกมันก็เจ็บหลานมันก็เจ็บ ยิ่งเลยสะใจติดคุกติดคุกเรื่องเล็กแต่ลงนาล ก, กันเรื่องใหญ่ตอนนี้มนุษย์เราเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เพราะว่าเรานับถือาศาสนาแค่วาจาแค่รูปแบบเราไม่เข้าถึงแก่นของาศาสนาผู้เจ้ากระชี้ง่ายๆเป็นวันยิ่งใหญ่มากวันมาคบูชาเนี่ยนะ การแสดงโอวาทปาติโมกแล้วก็ไม่ใช่ซับซ้อนกว่าจะเรียนอนุบาลจนถึงปริญญาตรีโทเอกนั่นไม่รู้กี่วิชาท่องจำแล้วก็จำอีกเรียนพิเศษแล้วก็พิเศษอีกนะเรียนก็ทุกออกมาแล้วก็ยังทุกอีกวันจะตายแล้วก็ตายเมื่อลงก็ทุกอีกก็ยังทุ่มเทลงทุนไปทั้งชีวิตแต่ผู้เจ้าสอนเราง่าย แล้วก็กราบไหว้พระองค์แค่รักษารูปแบบประเพณีวัฒนธรรมเราไม่เข้าใจสิ่งที่พระองค์ให้เรามันยิ่งใหญ่มากเพราะครูบอกแล้วว่ากี่แสนล้านก็ซื้อไม่ได้ถ้าคิดเปรียบเรื่องเงินอย่าเอาเงินมาพูดนะมันเป็นชีวิตในวัตระสงสารเลยมันแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จเป็นทางทางเดียวผู้เจ้าบอกเป็นทางทางเดียวเท่านั้น แต่มันมีหลายอุบายวิธีไอ้เรื่องจิบจอยเทคนิคฝึกจิตอะไรเนี่ยจิบจอยแต่ตอนนี้เอาเป็นเรื่องใหญ่แล้วเอามาทะเลาะกันอีกเพราะมันเป็นเรื่องกิเลสแล้วภาษาจีนกลางพูดคําว่าซื้อเจียนฉางจิวเปี้ยนชื่ อ, อยันเวลาผ่านไปเนิ่นนานกลายเป็นธรรมชาติของเราแล้วกิเลสคือความเคยชินแล้วแม้กระทั่งหลบดีนะเราฝึกจิตตลอดเวลาฝึกทุกวันทุกวัน่ะ โอ้ก็ไปขโมยถ่ายวีดีโอดูฝึกทุกวันทุกวันเลยมีอะไรไม่ดีเป็นสิ่งที่เลวล้ายอย่างยิ่งถ้าไปติดรูปแบบตรงนั้นเหมือนมันไม่ไม่ได้ไปตีหัวใครใช่ไหมมันชั่วลายตรงไหนติดอะไรก็คือเลวล้ายอย่างยิ่งหลงติดเพื่อหลงติดนั่นแหละ นะติดดีก็คือติดก็คือติดนะทุกวันนี้ที่เราทุ ก, กันที่เราทะเลาะเบาแวงกันคือก็คือเราเรามีความโลภเรามีความโกรธเรามีความหลงความโลภนี่หยาบมากนะพอโลภอยากได้ของเขาพอไม่ได้ก็โกรธหยาบมาก แต่ความหลงติดเนี่ยหลงในอุดมการหลงในความคิดตัวเองว่าตัวเองถูกตัวเองผิดเนี่ยอันนี้เลวล้ายอย่างมากอันนี้เอาออกยากข้ามภพข้ามชาติคือหลงไงคือหลงติดนะที่นี่พระเจ้าก็ไปเห็นสิ่งนี้แล้วล่ะพระ อ, องค์ไปตัดสรุทั้งหมดเลยพระโอ๋แล้วก็เลยไอ้ตัดสรุปนั้นว่ายากแล้วนะแต่ยังง่ายกว่า วิธีแก้ไขมันเหมือนเราหาเงินบอกยากแล้วนะกว่าจะเรียนจบเรียนวิชาหาเงินกว่าจะทำงานหาเงินได้ว่ายากแล้วแต่การรักษาเงินไว้ยากยิ่งกว่ามิจตเรียนวิชาหาเงินแต่วิชารักษาเงินไม่เคยเรียนหามาแล้วก็เหวี่ยงทิง้งเหวี่ยงทิง้งเหวี่ยงมันทิง้งเหวี่ยงมันทิง้ง ห, หามาแล้วก็เหวี่ยงทิง้งโดยถูกหลอกว่า การเบี่ยงเงินทิ้งการใช้เงินเป็นความสุขเรากลายเป็นผู้บริโภคบริโภคนิยมโดนวัตถุนิยมทุนนิยมมันหล่อหลอมความสุขเกิดจากการบริโภคนะยย่งรุ่นใหม่ยิ่งแพงๆเนี่ยบริโภคแล้วยิ่งสาใจเราก็เป็นธาสของมันตลอดชีวิตหาเงินมาหาเงินมาเพื่อบริโภคนะ เราต้องรู้ก่อนที่มาที่ไปว่าเอะตอนนี้เนี่ยพวกเราทำไมต้องมานั่งเสียเวลามานั่งคำว่าปฏิบัติธรรมคืออะไรเห็นหปฏิบัติธรรมคือการกระทําตามธรรมชาติไม่เนื่องด้วยกิเลสนะแล้วมีขมกํำกับหมดเลยผู้เจ้าบอกเออเออให้ให้เครื่องมือมาหมดเลยนะเห็นไมเอละชั่วทำยังไงเอาสี่ห้าก็พอเห็นไหมทำดียังไงทานไง วัตถุทานธรรมทานปัจายทานรรเห็นไหมง่ายๆเลยนะง่ายๆเลยเอาขัดเก่าจิตนิพองไสเรามีหนี้เกา่าเรามีกิเลสเกา่าแล้วทํำยังไงพระองค์ก็บอกเทคนิคไงจเจริญสัมมาวิปัสสนาส่วนในสัมมถทานั้นยกตัวอย่างสี่สิบกรรมฐานใบไม้กรรมมือเดียวที่พระองค์เอามายกตัวอย่างมาให้เราใช้เนี่ยเป็นแค่ตัวอย่างบางตอนใบไม้ในป่านี่เยอะมาก ยกตัวอย่างบางคนไม่ได้พระไตรปิฎกไม่บันทึกแล้วก็ไม่ใช่ถ้าเอาความจริงมาพูดทั้งหมดเลยพระไตรปิฎกแสนเล่มก็บันทึกไม่หมดเพียงแต่ว่าพระองค์ยกตัวอย่างนี้เอาแค่มาใบเดียวเนี่ยทำจริงๆเนี่ยก็บรรลุทำได้ยกตัวอย่างนะอสุภา1ิอสุภาเพ่งอสุภาษเป็นยังไงไปดูซากศพท่านั้นท่านี่สิบท่า จริงแล้วมันมีหลายร้อยร้อยพันท่าพิจารณาสุภาษ่ายมากนะซึ่งว่าสุนัขเดินมาตรงนี้มาฉี่มาอึอยู่ตรงนี้นะเราก็นั่งเพ่งดูมันพิจารณามันอึเออเมื่อกี้มันเปียกๆมันแห้งมันละเหยไว้มันเป็นก้อนเปียกๆเอ้ยมันแห้งแล้วเดี๋ยวมันย่อยสลายเป็นผงแล้วอยากเป็นก้อนเป็นผงแล้วเราก็เห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของมันนี่คือกฎพระไตรลักษณ์แต่เรา เรียนหนังสือแบบซื่อบือ้อพอพูดเรื่องนี้นะเมื่อกี้พกก่อครูกาลังจะออกจากที่พักมาไอ้เจ้าแก้วไม่ใช่ถือวิาสาสะหรอกเขารู้เขาเขาเาคุมถุงชนมาพี่เจียสั่งบอกให้เปิดวีดีโอให้พ่อครูดูไม่เรื่องอะไรพกก่อครูกาลังดูข่าวอยู่เอาเปิดก็เปิดมันต้องมีประโยชน์นะพี่เจียเขาถึงส่งมามันเป็นสารคดี ที่พิธีกรคนญี่ปุ่นนั่นแหละที่เอเราไปถ่ายทําที่ญี่ปุ่นก็เขาไปทําสารคดีสัมภาษณ์เกษตรกรคนหนึ่งของญี่ปุ่นซึ่งทําเกษตรปอสารพิษเขาไม่ใช่ทำเกษตรอย่างเดียวนะเขาไม่ได้เรียนหนังสือเลยแต่เกษตรเขาเนี่ยตอนนี้ขึ้นชื่อแปลรูปเกษตรไม่พอเขาสร้างเครื่องบิน อะไรที่คอนโทรนอะไรเนี่ยนะเขาดูจากนกแล้วเ็าสร้างกังหันลมตอนนี้ดีสุดในโลกอาจารย์มหาวิทยาลัยอะไ ร, ะไ ร, ะไรพวกกบฏสัต์ต่างๆก็ต้องมาซื้อลิขสิทธิ์กับแกแกพูดยังไง ร, รู้ไหมแกบอกการศึกษาที่เราเรียนทุกวันนี้เนี่ยมันมีข้อจํากัดมันเป็นการไปจําความรู้คนอื่นมาแล้วเราก็ไม่กล้าคิดนอกกรอบนั้นเลย ของใหม่ๆเกิดขึ้นไม่ได้เนื่องจากเขาไม่เคยเรียนเลยไงคนเราจิตเรามีปัญญาอยู่แล้วตามธรรมชาติสตีฟจ็อบต้องไม่ได้จบปริญญาอะไรทั้งนั้นเขาสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้กับชาวโลกเพราะว่าเขาไม่ได้คิดอยู่ในกรอบวิชาการที่เขาบล็อกเราไว้ไม่ค่าคิดนอกกรอบเพราะมันขัดหลักการทางวิชาการ ถูกบีบถ้าไม่มีหลักวิชาการแล้วเนี่ยต้องปฏิเสธก็คือไม่ใช่ก่อนเราเลยพลาดโอกาสรู้แล้วว่าเจียทำไมให้แก้วเพราะเจียตอนนี้กำลังช่วยเราทำเรื่องโปรแก ร, รมสมองซีขวากับเด็กเพราะครูก็ยกตัวอย่างว่านี่แหละการศึกษาทุกวันนี้เนี่ยมันอยู่ภายใต้อา น, นัตของความคิดแบบทุนนิยมแข่งขันเสรีวัตถุนิยมสอนให้ผู้คนเป็นบริโภคนิยม ความสุขเกิดจากการบริโภคเมื่อกันมันขายรุ่นใหม่ไม่ได้เราแค่เรียนเป็นทาตของเขาเท่านั้นเองเราไม่ได้เรียนเพื่อมีความรู้เพื่ออิสระเราเรียนเขาถูกใส่ความรู้นั้นน่ะกลายเป็นกิเลสเรานะอันนั้นเป็นเรื่องของโลกิยะทำไปทำมาไอความคิดแบบนั้นก็เข้ามาแทรกแซงในพุทธศาสนาเราแม้กระทั่งการเจริญภาวนา ก็เอาเป็นแพทเทิร์นเป็นแพ็กเกจสตายตัวเป็นวิชาเธอคิดนอกกรอบไม่ได้เธอต้องทำตามครูบาอาจารย์สั่งไปกดทับศักยภาพของจิตเราแล้วก็ตั้งแกงตั้งกวนทะเลาะ ก, กันถ้าไม่ใช่แบบฉันผู้เจ้าบรรลุธรรมอาณาปณสติเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นถ้าเท่านั้นพระ อ, องค์ทำไมสอนทำไมเยอะแยะเลย8 4ด0 0ี่พันพระธรรมมาขันยกตัวอย่าง4ี่สิบกรรมฐ า, านนี่แค่ตัวอย่างบางตอน ยึดมั่นถือมั่นแล้วไปติดที่รูปแบบวิธีการไงจิตมันก็ติดบ่วงเอาคนโลกเขาเรียนวิชาการเขาติดบ่วงไม่เป็นไรเราขึ้นว่าเราเบื่อโลกเรามาวิ่งสายทำเราก็ยังไปติดบ่วงอีกแล้วจิตมันจะไปไหนล่ะเอ้ยอันนี้ไม่ใช่พุทธอันนั้นไม่พุทธแท้นี่พุทธเทียมอถ้าเอาพุทธบ้านเราเนี่ยพระคุณเจ้านั่งอยู่ที่นี่ครูบาอาจารย์เนี่ยผิดวินัยนะ มันมานุ่งกังเกงได้ยังไงเมื่อจะไปติดพวกนั้นแล้วถ้าจิตมันจะไปไหนคือเราไม่ทําลายส ม, มุติบัญญัติแต่จิตต้องอยู่เหนือส ม, มุติบัญญตัติถ้าอยู่ภายใต้อนัตมันเมื่อไหร่เนี่ยมันก็คือหลงติดมันก้าวหน้าไม่ได้ปฏิบัติแค่เป็นรูปแบบรักษาความขังกันนะเนี่ยคาสอนผู้เจ้ามีแค่นี้ หลักการสามอย่างและอุดมการสี่เนี่ยข้อแรกก็คือต้องมีขันติความอดทนอดกั้นต่อการทำบาปทั้งกายวาจาใจก็อยู่ในส่วนของละชั่วขันตินี่สำคัญมากแต่ทุกวันนี้ขันแตกแย่นิดนึงเนี่ยขึ้นแล้วนะ ตอนนี้คนอยู่ในาศาสนาก็ขันแตกไปยุ่งกับชาวโลกเขาไม่มีเมตตาอ้างโน่นอ้างนี่เป็นแค่อุดมการ์มันไม่ใช่ธรรมะไปหลงติดอุดมการ์ไปติดดีดีที่สุดคือให้อภัยทานไงแค่นี้ก็สอบตกแล้วแล้วาศาสนานจะเป็นเหลืออะไรชอบกันมากไอ้คนที่ขี้อิจฉาคนไม่มีมุทิตาจิต ให้ไม่ได้แล้วก็ให้แล้วมีเงื่อนไขจะเป็นแบบนี้ทะเลาะบ่อแหวงกันจริงๆแล้วเราเจอคนผิดยิ่งเยอะยิ่งดีนะผิดที่นึงให้อภัยไปก็ได้บุญเต็มที่เลยผิดอีกก็ให้อภัยอีกดับเบิลไม่ต้องเสียสตังค์วัตถุทานยังต้องหาเงินแทบแย่นะแล้วก็แบ่งปันส่วนหนึ่ง เออให้ผู้ด้อยโอกาสด้ว่าให้คนที่เขาด้อยกว่าเราใช่ไหมเอาพยาทานไม่ต้องเสียอะไรเลยแต่ว่าให้ไม่ได้ก็ง่ายๆอย่าไปสับสนอย่ายไปยิ่งรู้มากก็ทุกมากรู้มากทุกมากข้อที่สองความไม่เปลี่ยนเบียนก็คือละชั่วนั่นแหละเห็นไม ข้อกำกับนี้เขาก็เตือนให้มันชัดเจนขึ้นว่าไอ้ละชั่วแบบไหนก็คือความไม่เบียดเบียนก็คือละเว้นจากการทำ้ายหรือเบียดเบียนก็อยู่ในหมวดของละชั่วเพราะละชั่วนี่สำคัญกว่าทำดีถ้าเราไม่ทำดีเราไม่ทำชั่วเราก็ไม่ขาดทุนแต่เราทำดีไปแฝงด้วยอามิด ท, ทำดี เพื่อต้องการสิ่งตอบแทนมันเป็นบุญกิริยามันไม่ใช่บุญกุศลทำดีก็ทำแต่ชั่วก็ทำอยู่อันนี้ขาดทุ น, นข้อกํำกับสองข้อนี้ก็คือเป็นตัวที่ละชั่วตัวที่สามความสงบความสงบเกิดขึ้นจากสัมมัสพิปัสนาก็คือต้อง จเจริญภาวนาเพื่อให้เกิดระดับสัมมาทากคือความสงบชั่วครู่เป็นสงบชั่วครู่ไม่ใช่ถาวรความสงบถาวรต้องเกิดจากเกิดวิปัสสนาเรารู้แจ้งเห็นจริงว่าไอ้ต้นเหตุที่ทำให้เราไม่สงบคืออะไรเราไปกําจัดมันออกมาแล้วเราจะสงบตลอดการนะอันนี้คือข้อที่สามความสงบทีนี้รวมยอดเลยทําดีละชั่วขัดเกลาจิตให้ผ่องใส เป้าหมายสูงสุดคืออะไรข้อที่สี่คือนิพพานนิพพานคือความดับทุกข์คือความดับทุกข์คือเป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนายุคนี้พกูเคยได้ยินบางคนพูดนะพูดเล่นบางจริงบางว่าโอ้ยุคนี้ไปคิดถึงเรื่องนิพพานอะไรไร้สารละนะทําบุญเยอะๆไปเกิดนนุนยุคภาษีอา น, นุนเกิดแน่ๆอาจจะเป็นลิงเป็นข้าง ผัดวันประกันพุ่งกิเลสมันพูดทั้งนั้นแหละถ้าพุทธศาสนิกชนเราเนี่ยปฏิเสธนิพานก็คือไม่เข้าใจคําสอนพุทธองค์บอกมันไกลตัวสวรรค์ยังไกลเลยนิพานโอ้ยไม่กล้าคิดสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจนิพานอยู่ในจิตมันไม่ได้ไกลตัวแล้วไม่อยู่ใกล้ตัวด้วยมันอยู่ข้างในตัวเรียบร้อยแล้ววัดไม่ได้ มีอะไรง่ายขนาดนี้ไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนเลยเนี่ยข้อกำกับสี่ข้ออุดมการสี่ข้อเท่านั้นเองใช่ไหมหลักการมก็มีแค่สามข้อละชั่วทำดีขัดเตาจิตให้ผ่องใสวิธีการอบอลงมาปีกย้อยดูนะวิธีการอบเนี่ยท่านบอกให้ฝึกวิธีไหนอุบายแบบไหน จะเป็นพูดโทยุบหนอพองหนอหรือเวียงหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่านะดูได้พูดหรือเปล่าข้อที่หนึ่งไม่พูดลายไม่สร้างวัจีกรรมก็คือละชั่วข้อที่สองไม่ทำลายก็คือกายภาพไม่สร้างกายกรรม็นไหมก็ละชั่วยิ่ วิธีการก็คือละชั่วก็คือว่าไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายข้อที่ 3, สามสํารวมในปาติโมกปาติโมกก็คืออะไรก็คือละชั่วทาดีขัดเกาจิตให้ผ่องใสนั่นแหละเห็นไหมข้อที่สี่ก็คือฝึกจิตเราให้สงบสงบก็มีระดับสัมมาทะแล้วก็วิปัสสนา ข้อที่ห้าอยู่ในที่สั ป, ปะยะอยู่ในที่ที่สั ป, ปะยะสงัดฝึกจิตใจให้สงบที่สูนี่เรามีครบไหมมีหมดสั ป, ปะยะคืออะไรไม่ใช่ไปอยู่ในป่าคนเดียวนะมีอะไรก็ไม่มีกินทุกทรมานต้องทำมาหากินจะเอเวลาที่ไหนสงบเย็นปฏิบัต ที่สัพพยะคือมีอยู่มีกินมีที่ปฏิบัติและก็ปลอดภัยอย่ามากเรื่องจะได้มีเวลามุ่งมั่นบนเพ็ญเพียรเรามีหมดแล้วอยู่ที่ว่าเราจะเอาไหมบางทีไม่เอาไม่พอเลยยังไปหาเรื่องสร้างกรรมว่าคนนั้นว่าคนนี้มองตัวเองเยอะๆเห็นไหมคาสอนพระเจ้ามีอยู่แค่นี้พระไตรปิฎกรุ่นเก่านี้รุ่นเก่าร้อย เ, เล่มนะ บางที่อ่านชาตินี้อ่านไม่จบเลยถ้าพวกเราไปอ่านถ้าไม่อ่านจริงๆเพื่อจะสอบให้เป็นด็อกเตอร์นะอ่านแล้วเป็นยังไงจบมากม็นั่งทะเลาะ ก, กั น, นยุคนี้เราเห็นนะที่พระครูบอกว่าพึ่งธรรมะเดือนมกราเนี่ยเขียนให้แก้วทิพย์เขาเป็นลงอะไรของเขาเนี่ยแหละด็อกเตอร์สองคนคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วตอนนี้เกิดแล้วข่าวทุกวันมันเอาด็อกเตอร์มานั่งคุยกันมองคนละมุมแต่ชาวนาสอนควายไถายนาได้ มันเกิดขึ้นแล้วพรอครูพูดเรื่องนี้ยกตัวอย่างว่าการศึกษาต้องระวังเราเรียนรู้เพื่อลดอัตราตัวตนแต่ตอนนี้การศึกษาสอนให้เราเป็นสร้างความเป็นเป็นอัตราสร้างอัตราขึ้นมาเยอะเลยยิ่งรู้มากก็ทุกมากมันเป็นแค่ความรู้มันไม่ใช่ปัญญา ปัญญาต้องเกิดจากการเห็นแจ้งของจิตไม่ได้เกิดจากการนึกคิดคาดแคเนคาดเดานะเห็นไหมศาสสนี้ง่ายไหมวิธีการหกเมื่อกี้เนี่ยพระองค์บอกหมว่าต้องฝึกจิตวิธีนั้นวิธีนี้วิธีกอ่อวิธีขอไม่มีอันนั้นเป็นเทคนิคคุณจะเอาวิธีไหนก็ได้ ขอให้อยู่ในกรอบทำดีละชั่วขัดเกลาจิตให้ผ่องใสนี่คือหลักการนี่คือแก่นของพุทธศาสนาแต่ตอนนี้เรามาทะเลาะกันกับเรื่องปีกย่อยเรามารักษาศาสนาโดยรักษาไประเพณีวัฒนธรรมข้อปีกย่อยมันจึงมีหลายลัทธินิสัยนะก็เรื่องศาสนาเนี่ยคุยกันแค่สังเขปคุยกันเยอะๆมันจะทะเลาะกันมันเป็น มันจะเอาทฤษฎีแบบตรร ก, กะเหตุผลมาบตร ก, กะเนี่ไม่ได้มันเป็นความเชื่อที่ต่างกันมันถึงมีหลายาศาสนาหลายลทัทธิหลายนิกายซึ่งมันเป็นเรื่องปกตินี่คือนานาจิตตังพราะครูก็ชอบยกตัวอย่างบ่อยๆว่าเราเอาน้ําแก้วนึงเนี่ยเอาเกลือลงไปมันก็อยู่ไม่ใช่เอาทรายลงไปก่อ น, นก็อยู่ข้างล่างเอาน้ํามันลงไปมันก็ลอยอยู่ข้างบนเอาเกลือลงไปก็อยู่ตรงกลาง ทั้งหมดนี้เป็นหนึ่งเดียวอยู่ในแก้วใบเดียวกันอยู่ในโลกใบเดียวกันอยู่ในครอบครัวเดียวกันอยู่ในประเทศเดียวกันอยู่ในโลกใบเดียวกันทั้งหมดนี้เป็นหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวคือทั้งหมดแต่ทั้งหมดนี้ไม่ต้องเหมือนกันต่างคนต่างอยู่อยู่ร่วมกันอยู่ร่วมกันต่างคนต่างอยู่ถ้าเรายอมรับในความแตกต่างไม่ต้องทะเลาะกันถ้าไอายมันอยากหาเรื่องมันมองขึ้นไปข้างบนเฮ่น้ามันมึงบ้าหรอไปอยู่ลอยตากแดดทาไม ไอ้น้ำมันว่ายทรายมึงบ้าเลยอยู่ข้างล่างไม่มีอากาศหายใจไอ้เกลบอกสองคนเนี่ยมึงบ้าทั้งหมดอะทําไมผู้เจ้าบอกอยู่ตรงกลางๆมาอยู่ที่กลางๆสิต่างคนต่างมีเหตุผลมันเป็นความเคยชินที่แตกต่างกันมันเป็นกรรมที่เราสร้างมาไม่เหมือนกันลิงมันก็อยู่อย่างลิงเสือก็อยู่อย่างเสือแล้วมนุษย์เราเหมือนกันไม่ใช่ว่ามนุษย์เหมือนกันต้องอยู่เหมือนกันหมดมันไม่ใช่ มันเป็นความเชื่อความชอบท่านยุคดีวรลสนิยมที่ต่างกันมีทางเดียวเท่านั้นที่จะอยู่เรียงเง่สันติเสดีคือยอมรับในความแตกต่างแล้วถ้าใครฉลาดเชื่อฟังคำสอนพทธเจ้านะคนที่มีมากกว่าที่มีกำลังมากกว่าต้องฉลาดเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่คนที่ด้อยกว่าเราได้มีโอกาสทำดีแล้วไง แทนที่จะมีโอกาสทำดีไม่ทำยังไปเพิ่มกรรมชั่วอีกด่ากันไปด่ากันมาอย่างนี้มันถามว่ามันได้อะไรมันได้สะใจนะแต่ตอนนี้มันแรงแล้วนะมันแรงแล้วก็เป็นว่าพา่อครูพูดเข้าๆจะไม่ลงในรายละเอียดแต่นี้ว่านี่คือจะไปรู้ว่าเอ๊ะเราปฏิบัติถูกต้องไหมปฏิบัติศาสนาถูกต้องไหมดูแค่นี้อยู่ในกรอบแค่นี้ หลักการสามอุดมการสี่วิธีการหกนี่คือแก่นพุทธศาสนาส่วนมันตีแตกปีกย่อยไปแต่งตัวอย่างนี้แต่งตัวอย่างนั้นวิธีการอย่างนั้นอย่างนี้มันเกิดขึ้นทีหลังแล้วก็ไม่ได้ผิดแต่ถ้าไปหลงมันเมื่ อ, อไหร่ว่าต้องเป็นแบบนั้นน่ะเป็นความผิดอย่างยิ่งเพราะเป็นหลงติดไงหลงติดอะไรก็คือหลงมันก็อยู่ในส่วนโลกกวนหลงเนาะ หลายปีย5ิบห้าปีเนี่ยพ่อครูสำรวมระวังก่อนที่จะป้อนอะไรเขาอุตส่าห์หนีมาตั้งนานมาอุหนีร้อนมาพึ่งเย็นยจะไปสอนให้เขาหลงทางอย่างเนี่ยระวังนะไม่ใช่เรื่องทำเล่นเราขโมยนาฬิกาเขาเขาเสียนาฬิกาเขาเสียใจบางทีก็บหนอนไม่หลับมาจับไปขังคุกจบไหมคนละเรื่องสักวันหนึ่งเราก็ต้องถูกขโมยนาฬิกาต้องเจ็บปวดเหมือนกัน แต่ถ้าเราไปหลงทางไปชี้ทางเขาหลงทางชีวิตเนี่ยเขาเสียอะไรเขาเสียชาติเกิดทั้งชาติไม่ใช่เรื่องทำเล่นนะกว่าจะรอคิวมาเกิดเป็นมนุษย์ผู้เปิดเสริญไม่ใช่ทำเล่นๆตัวเองก็หลงไม่พอไปพาเขาหลงด้วยอะนะนรกอยู่ ใ, ใกล้ๆไม่แน่ใจอย่าทำเราไปหลงตัวรู้ไงไปเชี่ยวสอนคนอื่นเลยตัวเองยังยังแก้ไขปัญหาตัวเองไม่ได้อะนะ คนโบราณไม่ต้องเข้าถึงทำอะไรมากมายหรอกเขาบอกนิ่งเฉยตำลึงทองอันนี้อุเบกขาไงอุเบกขาไงใช่ไหมก็ง่ายๆนะทำดีแล้วช่วขัดเกาจิตให้ผ่องใสตัววิกีการหุมกินมีข้อหนึ่งข้ออันนี้ว่ารู้จักประมาณที่ในหลวงเอามาใช้เรื่องสศ ร, รษกิจพอเพียงนั่นแหละ มันคือทางสายกลางก็สรุปแล้วว่าเราพยายามระวังไม่สร้างวาจีกรรมกายกรรมส่วนเราสร้างมนุกรรมเนี่ยเราก็ต้องรับกรรมนะแต่กรรมมันไม่ถึงบุคคลที่สามความอาฆาตมาตรายเนี่ยมันไม่ถึงแต่ถ้าเราไปด่าเขาปุ๊บเนี่ยเขาบันทึกสัญญาแล้วเนี่ยตายไม่จบนะพอเกิดมาชาติหน้าเนี่ยไม่เคยรู้จักกันเลยเนะเจอหน้าหมันไส้เห็นไหม บางที่เจอหน้าถูกชะตาจังเลยมันสร้างบุญมาด้วยกมกันไม่ได้เกิดขึ้นลอยลอยนะพวกนี้มันไม่หายไปไหนก็ไม่ทำบาปก็คือว่าสำรวมระวังไม่สร้างวัจีกรรมกายกรรมแล้วก็รู้จักประมาณทําอะไรก็ช่างพอดีพอดีเขากับพอดีเราทางสายกลางมันไม่เท่ากัน ช้างขี่ไม่ต้องไปขี่ตามช้างมันคนละเรื่องทุกคนต้องรู้ว่าพอดีเราเท่าไหร่ถ้าเราทำเกินพอดีมันจะแบกน้ำหนักเราจะคิดเราจะ ก, กังวลมากๆนอนไม่หลับถ้าเกิดเดินไปเกิดสะดุดขึ้นมาเนี่ยมันก็ทุกข์ไงเนี่ยคือทางสายกลางเศรษฐกิจพอเบียงขององค์ในหลวงเรานี่ก็คือพอใจเพียงแค่มีแต่ไม่ได้แปลว่าพอแล้ว มีมากก็พอใจมีน้อยก็พอใจต้องขยันขันแข็งทําต่อไปแต่ทําแล้วได้ก็ต้องพอใจเสียก็ต้องพอใจพอใจในสิ่งที่เราทําพอได้ก็ได้เงินเสียแล้วได้ประสบการณ์ไปเสียใจทําไมนะก็มีอีกเรื่องหนึ่งสรุปให้ดูว่านี่คือคําสอนพระพุทธเจ้านะแล้วก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยพ่อ ก, กูตอนตีสา อยู่ๆมันก็มีนิมิตตั้งโจทย์ขึ้นมาว่าท่องเที่ยวและการกีฬามันเกี่ยวอะไรกับธรรมพะพราะตอนนี้ขึ้นจิตพระคูรับขึ้นได้ว่ามนุษย์เราเนี่ยมันกาลังทุกข์เพราะเรื่องอะไรก็พยายามจะหลีกเลี่ยงจะไม่พูดเพราะว่ามันเป็นทิฏฐิมานะมันเป็นความยึดมั่นถือมั่นถ้าไม่พูดเข้าข้างฉันเถอก็เป็นคนละขั้วเลยเนี่ยขัดแย้งกันไม่รู้เรื่องอะไรมันไม่แยกแยะว่าใครเป็นใคร ตัวเองเป็นแบบนั้นก็คิดว่าคนอื่นต้องเป็นแบบนั้นไม่กระทั่งครูาอาจานนะเพราะครูพูดเพราะเมตตาถ้าพระครูยังมีอคติไปเข้าข้างคนนั้นคนนี้เนี่ยมันจะมานั่งอยู่ในป่าเฉยๆยี่ห้าปีได้ยังไงไรสาระจิตมันตั้งโจทย์ท่องเที่ยวการกีฬาจิตพระครูก็ไปดูเออแล้วเป็นยังไงล่ะท่องเที่ยวภาษาไทย ตามพ่ะครูดูนะท่องเที่ยวท่องไปเรื่อยเที่ยวไปเรื่อยๆการท่องเที่ยวก็คือว่าไม่มีเงื่อนไขไม่ใช่อาชีพไม่มีคำว่าต้องท่องไปเรื่อยตามเหตุและปัจจัยเที่ยวไปเรื่อยๆมันเป็นนันทนาการของชีวิต ที่บอกว่าให้กําไรชีวิตกําไรชีวิตตอนนี้พ่อกูก็ไม่ใช่ไปท่องเที่ยวมีแต่กิเลสนี่ยกำไรกิเลสเป็นการซื้อความสนุกสนานเป็นการจัดโปรแกรมนะเป็นแพ็กเกจนะวันนี้วันนี้ตื่นกี่โมงกีนาทีนั่งเป็นรถเป็นครึ่งวเป็นชั่วโมงครึ่งวันเลยนะแล้วก็ไปดูปุ๊บสิบนาทีบอกไปแล้วไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยเป็นการนันทนาการชีวิตเราจะเกิดปัญญาลักษณะยังไงเกิดทักษะชีวิต เมื่อเราไปสัมผัสตรงนั้นน่ะเราจะสัมผัสอารมณ์ตรงนั้นได้ก็คือว่าเขาเรียกว่าภูมิสังคมตรงนั้นสัมผัสคนแถวนั้นไม่ผ่านความคิดเพราะเราไม่อยากรู้อะไรเลยท่องเที่ยวไปเรื่อยๆเราจนเราจะเกิดปัญญาแต่ถ้าเรามีโจทย์ปุ๊บฉันจะไปดูอะไรปุ๊บเราจะเห็นเรื่องเดียวเพราะว่าเราจะไปหาทองคำเนาะแล้วก็มองแต่เรื่องทองคําอย่างเดียวไอ้เพชรอยู่ข้างๆตัวเราก็มองข้ามมันไป ท่องเที่ยวนี่มันเป็นนันทนาการของชีวิตแต่ตอนนี้มันมีธุรกิจนิยมเนี่ยมาบล็อกตัวท่องเที่ยวเองก็กลายเป็นอาชีพเราทำงานอาชีพเหนื่อยแทบแย่แล้วเนี่ยตอนท่องเที่ยวนี่คือเราหยุดทุกอย่างท่องเที่ยวคือพักผ่อนเป็นนันทนาการของชีวิตนะแล้วก็พอเราไปรู้ไปเห็นอะไรแล้วเนี่ยโดยไม่ผ่านความคิดนัน่นคือตัวปัญญา คนเราความฉลาดนี้เกิดขึ้นจากความคิดมันจะฉลาดคิดกับเรื่องนั้นมันจะแตกฉานเรื่องนั้นแต่การตื่นรู้เกิดขึ้นจากเวลาเราหยุดคิดจริงๆแล้วการท่องเที่ยวนี่เป็นนันทนาการมีโอกาสทำให้เราเกิดปัญญาได้ถ้าเราวางอาชีพการท่องเที่ยวไม่ใช่อาชีพในยะของการท่องเที่ยวเป็นนันทนาการของชีวิตท่องไปเรื่อยๆเที่ยวไปเรื่อยๆ ตอนนี้จิตมันบอกนะทีนี้กีฬาก็เหมือนกันคนโบราณเ็าบอกเล่นกีฬาเล่นไปเล่นลนหละอย่าไปซีเรียสแต่ตอนนี้เขาไม่เอาละเขาแข่งกีฬาแข่งกีฬามันมีเป้าประสงค์แล้วต้องแท้ของชนะมันก็เครียดซ้อมเกินความเป็นจริงเพราะมันกลัวแพ้มะเลงไม่ใช่เป็นนันทนาการ ก็กลายเป็นอาชีพอีกจริงๆแล้วกีฬาเ็าบอกเล่นกีฬาแต่ตอนนี้การมันไม่เล่นนะ่ะมันแข่งกีฬาพกครูชี้เรื่องนี้ทาไมทุกคนเกิดวิตกจริตหมดอันนี้ยกตัวอย่างนะท่องเที่ยวกีฬาเป็นแค่ตัวอย่างทุกๆวิชาตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างนี้หมดกลายเป็นธุรกิจหมดนักฟุตบอลเตะเก่งๆเนี่ยค่าตัวเป็นพันๆล้าน คนยกน้ำหนักได้เหรียญทองโอลิมปิกเนี่ยเธอต้องรวยแต่กรรมกรแบกข้าวร้อยกิโลวันหนึ่งไม่รู้กี่ร้อยกระสอบเนี่ยเลี้ยงคนทั้งโลกเธอต้องจนมันเอาอะไรมาวัดเพราะทุกอย่างมันเป็นเกมมันเป็นธุรกิจมันไม่ใช่นันทนาการอีกต่อไปทุกคนจึงเครียดสะสมแล้วเกิดวิตกจริตตอนนี้คุยกันไม่รู้เรื่องไง ตอนนี้เราทุกมากทุกครอบครัวพ่อครูเงียบหูฟังนะเด็กติดเกมพ่อครูไม่โทษเด็กนะถ้าต้องโทษกันเนี่ยจริงๆแล้วพ่อครูไม่อยากโทษใค ร, รแต่ภาษาบอกว่าถ้าต้องโทษกันที่ต้นเหตุจริงๆเนี่ยพ่อครูเคยไปบรรยายที่ศาลมุกดาหารเขาเชิญไปศาลเด็กเ ย, ยาวชนนะเอาผู้ปกครองกับเด็กมานั่งแล้วเขาก็บัญญาติเสร็จาก็ส่งมาเข้าค่ายที่นี่ยติธรรมเราก็ เคยมาปฏิบัติก็เชิญไปตอนนั้นเขาทําโครงการอะไรเด็กดีครอบครัวมีสุขเด็กดีครอบครัวมีสุขผู้ใหญ่มีแต่พูดเอาจะได้เพราะครูบอกเขบครูไม่เห็นด้วยโครงการนี้ตั้งโจทย์มันก็ล้มเหลวแล้วถ้าเด็กดีผู้ใหญ่ชั่วมันก็ไม่มีสุขและเด็กที่มันชั่วด้วยผู้ใหญ่มีส่วนทําให้มันชั่ว เพราะคูไม่โทษเด็กๆเด็กๆเป็นเหยื่อผู้ใหญ่เราสร้างสังคมเร็วๆให้มันอยู่เอาแต่ความเจริญเอาแต่เจริญเจริญเจริญเจริญไม่มีเวลาให้ลูกเนี่ยเจริญไงเจริญทําไมถ้าเจริญแล้วเป็นแบบนี้เจริญทําไมเจริญทำเป็นทางที่จะพ้นทุกข์ ส่วนวัตถุนั้นน่มีก็ได้ไม่มีก็ไม่เป็นไรเออถ้ามีก็เป็นผลพลอยได้แต่ตอนนี้กาลังทะเลาะ ก, กับวัตถุคำว่าคอร์รัปชันเป็นเน้นแต่เรื่องวัตถุคอร์รัปชั่มคอร์รัปชันอารมณ์คอร์รัปชันความเป็นเมตตาธรรมความเลทั้นต่อเมตตาก็เลยเอาไปถึงคอร์รัปชันหมดตอนนี้คอร์รัปชันหมายถึงเรื่องวัตถุท่า น, นั้นเองนี่คือทุนนิยม หยาบมากทะเลาะกันไม่เลิกหรอกนะก็เป็นว่าเรามีบุญแล้วนะนะธุรกิจการงานที่เราทําอยู่ก็เหนื่อยมากมายแล้วถ้าคนไม่มีบุญเนี่ยทอย่างนี้ไม่ได้นะเราจะวางได้ยังไงวันนึงยี่สบสี่ชั่วโมงของเราอยังแก้ปัญหาเรายังไม่จบเลยเก็เวลาที่ไหนมาปฏิบัติทำอันนี้ไม่ใช่พูดเล่นพูดจริงๆเราทาในสิ่งที่คนอื่นทาได้ยาก ถ้าบุญไม่เยอะมันก็อ้างโน่นอ้างนี่ทุกคนอ้างไม่มีเวลาหมดพ่อครูสมัยก่อนก็อ้างเหมือนกันสี่สิบปีนะตัวยงเลยละ่ะพอเศรษฐกิจดีให้เลี้ยงเปิดสาขาน้ําขึ้นต้องรีบตัก <c oughs> เปิดปุ๊บก็แบ่งโซนสมองนี่ก็ออกไปอีกเห็นไหมกําลังคนก็ออกไปอีกกําลังเงินก็ออกไปอีกเหมือนเรายิงปืนลูกซองเนี่ยเรายิงไปปุ๊บเนี่ยมันก็ดาวกระจายเห็นไหมเหมือนอุ้ยวงกว้างเลย แต่ไม่มีพลังเลยแต่เรายิงปืนไรเฟิล น, นัดเดียวนี่กําแพงก็แพงทะลุเลยแต่นี่ความอยากของเราไงอันนี้ก็ดีนั่นก็ดีนี่ก็ดีดีก็ดีดีดี ด, ดีมันดีหมดนั่นแหละแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคุณสู้ศึกหลายด้านคุณจะกำลังที่ไหนไปสู้เขาความอยากทุกคนก็มีความอยากนะเรายังไม่ใช่เป็นพระอาหารหันเนี่ย แต่อยากให้มันเป็นอย่าอยากให้มันตายที่ทะเลาะทะเลาะกันอยู่ทั้งหมดเนี่ยอย่าไปอ้างโน่นอ้างนี่ที่มาก็คือตัวตันหานั่นแหละทุกฝ่ายตัวสมุไทยทุกสมุไทยนี่โลดมักจิตพวกครูมันเป็นยี่ห้าปีมันเป็นอริยสัจสี่พอขึ้นมันมีอะไรปุ๊บ มันก็รู้ว่าที่มาที่ไปยกตัวอย่างแล้วตัวนี้บางคนก็ยังไม่ได้ยินอันนี้ชัดเจนนะตอนนี้พ่อครูพูดเรื่องนี้อาจารย์มหาสีภัยเงตอนนั้นหลายปีก่อนมาปฏิบัติที่นี่ก็บอกมองภาพชัดเจนเลยเพราะท่านพาฤาษีตนหนึ่งมาที่นี่ด้วยนั่งทะเลาะกันทุกวันเป็นฤาษีดีกว่าอิสระกว่าเป็นพระอันนี้ก็บอกพระดีกว่าหรือ น, นั่นนะพ่อครูเป็นอะไรดีบอกเป็นอะไรก็ไม่ดีเป็นก็คืออัตราไงเวียงทิ้ง นะฤสีท่านนั้นก็มาถามรพระครูพ่กครูกินมังสวิรัตไหมบอกไม่กินกินเจไหมไม่กินกินเนื้อสัตว์ไหมไม่กินอีกเาพรอครูกินอะไรก็กินอาหารอย่าเรื่องมากไปไหนก็หิ้วเจไปด้วยไม่ให้วางนะมันหิว้วพวกเราไปติดพวกนี้ไงแล้วเจทุกวันนี้ยังแพงกว่าอย่างอื่นด้วยนะต้องทำเนื้อไก่เทียมเนื้ออะไรนีนะ่อันนี้ไม่ใช่เจแล้วมันปรุงแต่ง เจคือความบริสุทธิ์ถ้าจิตใจเราบริสุทธนะิ์น่ะกินเถอะทุกคนเลือกอาหารที่มันเหมาะกับาธาตุเราอย่ามากเรื่องสมมะถะเรียบง่ายไม่ใช่ไปไหนก็ยิ่วเจบางคนนะ่ะกินช้อนร่วมกับคนอื่นไม่ได้กินอะไรต้องของฉันเห็นไหมเจแบบนี้สร้างอัตตาตัวตนหนึ่งจะกินไปทําไมเหมือนสวดมนนั่นแหละสวดไปจนตายก็ไปสวดลูกสาวอิ่งไ่สวดไปทําไมตอนนี้มันติดรูปแบบเขาไม่เข้าใจคําสอนพุทธเจ้า พระเจ้าไม่ให้หลงติดรูปแบบต้องรักษารูปแบบนะแม้กระทั่งรักษาศาสนาพระองค์ก็ไม่ได้สอนนะพระองค์ไม่เคยดําฤทธิ์ให้สาวกนี่จารึกออกไปประกาศพรมมาจันแม้แต่หนึ่งครั้งเอ๊ะประกาศศาสนาแม้แต่หนึ่งครั้งพระองค์ดําฤทธิ์ให้สาวกจารึกออกไปประกาศพรมมาจันชี้ทางผลทุกให้สัตว์โลกทั้งหมดแต่ตอนนี้เราประกาศศาสนาแข่งกันทะเลาะกันทั้งโลกทั้งบ้านทั้งเมืองเพราะเราไปติดรูปแบบไนงะ ของฉันถูกของเธอผิดและย่งเรื่องการเมืองเลยอย่าไปยุ่งกับมันนะไม่มีหรอกนักการเมืองที่ไหนเป็นพระอรหันน่ะบริสุทธิ์แค่ไหนนะแต่เขาก็ทําหน้าที่เขาหน้าที่หลักของเราเนี่ยถ้าเราไม่รู้ก็แล้วไปเราโง่อยู่ตั้งหลายสิบปีแล้วพอเรามาเจอแล้วเนี่ยทําไมไม่รีบทําหน้าที่เราคือปลดทุกข์ให้ตัวเองซะนี่คือหน้าที่หลักไงยังไปเพิ่มทุกข์กันทะเลาะกอันจนนั้นเทียดอยู่ตรงนั้นล่ะ โง่หรือฉลาดคิดเอาเองกันแล้วกันใช่ไหมเด็กชายแดงเด็กชายดอนวิ่งลอยเมตรแข่งกันพาะคูก็พูดให้ลือสีกับอาจารย์มหาสีไปฟังพ่อะทะเลาะกันอยู่เรื่อยไงเป็นเพราะอย่างนั้นเป็นเพราะอย่างนี้พอวิ่งไปถึงห้าสิบเมตรไอเด็กชายแดงมันล้มลงไปหัวเข่าแตกร้องไห้คุณแม่นั่งจากความรักลูกมากวิ่งมาเนี่ย รู้แต่ว่าลูกทุกเพราะลูกร้องไห้เห็นแค่นั้นแม่ก็ทุกมากกว่าใจจะขาดเลยร้อยอหยองอย่ายยอง่า้ลูกเดี๋ยวจะซื้อมือถือรุ่นใหม่ให้เอาอามิตรมาหลอกให้มันหยุดร้องไห้เพราะาแม่เจ็บใจมากเด็กคนหนึ่งวิ่งมาคุณแม่ผมผมเห็นมากเลยที่มันร้องไห้หัวเข่ามันแตกเห็นไหมอ๋อหัวเข่าแตกคุณแม่ถึงมีสติไปรีบทายาทายา อีกคนนึงวิ่งมาคุณแม่ที่มันหัวเข่าแตกคุณแม่รู้หรือเปล่ามันคืออะไรเพราะมันมันขัดขาตัวเองล้มไม่มีใครผักมันหรอกอีกคนหนึ่งมาฉันเห็นมากกว่าเธออีกที่มันขัดขาตัวเองล้มนั่นเพราะมันวิ่งไวเกินไปอีกคนนึงเป็นเพื่อนสนิทเจ้าแดงบอกว่าฉันรู้มากกว่าพวกเธออีกก่อนที่มันจะวิ่งมันบอกว่ามันอยากชนะตันหาคือที่มาของทุกไม่ต้องไปนั่งเถียงกันหรอก มีตัณหาทั้งนั้นแหละไม่มีเมตตาไม่มีอภัยทานแล้วเนี่ยมันจะไปไหนกันตัณหาใช่ไหมที่มาของทุกข์พรุ่งนี้มาเพื่อนท้ามาวิ่งเหยียกเฮ้ยไม่เอามาชกมวยกันดีกว่าชกไปชกมาก็ถูกน็อกอีกก็ร้องไห้เอกไงก็มันอยากชนะมันแพ้มันก็เลยร้องไห้ไง เราต้องแก้ที่ต้นเหตุของมันสิทธิ์โง่ไปเรียนเซนได้ยินไหมรู้จักแก้งโง่บ้างอย่าอวดฉลาดเราคิดว่าเรารู้เหรอก็เรารู้แค่นั้นไงเรามองเห็นแค่นั้นไงผู้เจ้าทึงบอกว่าไอตัวศรัทธาเนี่ยต้องมาก่อน แต่ไม่ใช่ศรัทธาแบบหลงงมงายก่อนจะศรัทธาเนี่ยต้องใช้ดุลพินิษ์ใช้วิจารณญาณถ้าศรัทธาแล้วอย่าลังเลถ้าเราลังเลแล้วเนี่ยเรากาลังหลงอยู่เนี่ยใครเตือนเราก็ไม่ตื่นแต่อย่าพิ่งเชื่ออะไรง่ายๆอย่าพิ่งปฏิเสธทำตัวเองให้เป็นนักวิทยาศาสตร์จริงๆนักวิทยาศาสตร์จริงๆอย่าเพิ่งเชื่ออะไรแต่อย่าพิ่งปฏิเสธ อย่าเพิ่งด่วนสรุปว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราต้องปฏิบัติให้มันเห็นแจ้งเราถึงจะร้องอ๋อนะเราถึงจะร้องอ๋อด้วยตัวเราเองมันเป็นปัจจตังเวทีตาโพวินยูหีเป็นสิ่งที่รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนนะเพราะครูจึงบอกว่าโลกมันเปลี่ยนนะคุูบายวิธีต่างๆนั่นครูบาาจารย์หลายรูปหลายองค์เนี่ย ท่านก็เคยบรรลุมมาแล้วเนี่ยท่านก็เผยแร่มาต่อเนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดทำไมพรเจ้าบอกอย่าเพิ่งเชื่อที่ทำทำตามกันมามันไม่เหมาะกับสถานที่เหตุการณ์ยุคสมัยสมัยพุทธกาลเนี่ยทุกคนก็มีความอยากไม่มีปัญหามีเหมือนกันแต่ถ้ามาช่างกิโลแล้วมันเบาวกว่าทุกวันนี้กิเลสทุกวันนี้มันขี่จรวด มันเร็วใช่ไหมมันขี่จะรวดอะ่ะเราหมวต้มๆเตี้ยมๆอยู่มันจะทันหรือเปล่าขี่เกวียนมาทันมันไหมอย่างวิธีวัดป่าเนี่ยพวกคูก็ลุกสิทธิ์วัดปา่าเหมือนกันหลวงพ่อชาก็อาจารย์องแลคุณรอกคูตอนนั้นตอนเด็กๆไปกราบท่านแต่ยังไม่รู้ว่าปฏิบัติท ร, รมรืออะไรก็ศึกษาธรรมะท่านที่ท่านสอนบ้างวัดปา่าต้องอยู่ปา่าสิ ไม่ใช่ชื่อวัดป่าเป็นวัดโยมกันเป็นหมดเลยมันถึงหลุดไงเทคนิควัดป่าก็ต้องอยู่ป่ายุคสมัยมันเปลี่ยนสิ่งเล้าใจมันแรงถ้าเรายังไม่เข้มแข็งนี่อย่าไปยุ่งใช่ไหมไม่ใช่วิธีการมันผิดแต่เราใช้มันผิดผู้ชันบอกอยาพึ่งเชื่อที่ทำตามตามกันมาไงเห็นไหม อย่าเพิ่งเชื่อที่สคนเขาพูดเขาเป็นครูบาอาจารย์เราเชื่อเชื่อเชื่อหมดเลยก็อย่าพิ่งเชื่ออย่าพึ่งปฏิเสธฟังแล้วไปวิเคราะห์แล้วก็มาปฏิบัติ ด, ด้วยตัวเองเยอะๆไม่ใช่เอากิเลสตัวเองเอาทิฏฐิมานะตัวเองตัดสินใจเลยว่าถ้าไม่พูดเข้าข้างฉันเธอเป็นคนอีกข้างหนึ่งนะแล้วต่อไปจะไม่มีใครเตือนเราก็ตอนนี้คือมันเป็นอย่างนี้ก็บอกให้ทุกคนตื่น การเอาตัวลอดเป็นยอดดีไม่ใช่เรื่องเห็นแก่ตัวคนโบราณเขาสอนกว่าจะมีชีวิตมาเป็นมนุษย์ผู้เปรฐได้ดเนี่ยเรารอคิวกันไม่รู้ถ้าคิดเป็นพันๆปีเทวดามันทุกข์มากที่ต้องเสพสุขไม่ใช่ถูกเขาหลอกก็ไปทำบุญไปขึ้นสวรรค์นะไม่จำเป็นอย่าไปนะสวรรค์นะั่นเสียเวลาเยอะมากพอใจนี่กรรมดีนั้นหมดเกิดมาวันแรกทาไมเทวดาแหกปากลอง ทำไมไม่หัวเราะเจตชั้นเกิดแล้วสวรรค์สมบัติมนุษย์สมบัตินรกสมบัติยังอยู่ในวัฏฏะสงสารมันไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ทางพ้นทุกข์คือปฏิบัติให้จิตเข้าสู่อริยะสมบัติอริยะสมบัติอริยะขั้นต่ำสุดคือโสดาปติมัคจิตเห็นจิตคือมัคผลของจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งคือนิโรธไม่ใช่ไปฝึกสมาธิเจริญสติอันนั้นเป็นแค่สัมมาทา เป็นอุบายวิธีเพื่อรวบรวมพลังเพื่อเข้าไปสู่วิปัสสนาเพื่อจเจริญมรรคจิตต้องเข้าไปสู่จิตในจิตแต่ถ้าเกิดว่าอย่างสมถากรรมฐานเขาแยกแยะว่าเออขั้นเริ่มต้นก็คือชานหนึ่งชานสองชานสามชานสี่ไอ้พวกนั่งชานกันก็ได้ของแถมมาเกิดอภิญญาต่างๆมันมาหลอกเราเห็นโน่นเห็นนี่รู้โน่นรู้นี่รู้ว่าละจิตเขาอย่างงั้นอย่างนี้นะเห็นก็เหวี่ยงทิ้งไง อันนี้เรื่องอะไรจะเหวียงมันพิเศษนะมันเป็นโลกิยะอภิญยามันไม่ใช่ทางผลทุกแต่ชี้ให้ดูว่าไอ้ตัวนั้นนเป็นทางผ่านเราไม่ต้องไปนั่งฝึกมันอย่างนั้นหรอกเพราะเราฝึกมาหลายชาติแล้วแต่การรวมพลังสมาธิเบื้องต้นเพื่อให้มันมีพลังเข้าไปสู่จิตมันต้องถึงขั้นเอกคตาลมอันนี้คือฌานสี่วิตกวิจารปิติสุขต้องข้ามสุขด้วย ววลานั้นมันเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยอารมณ์อะไรก็ไม่มีอารมณ์คือเป็นหนึ่งเดียวนะมันถึงจะมีพลังที่จะหลุดออกมาจากอายตนะเข้าไปสู่จิตในจิตเมื่อเข้าไปสู่จิตในจิตแล้วเนี่ยนั่นลหละคือเราเข้าไปกระแสมากแล้วที่บอกว่าขั้นต่ำสุดคือโสดาปฏิมัติเมื่อเราฝึกไปเรื่อยเ ร, ยเราบรรลุมรรคผลเบื้องต้นก็คือโสดาปฏิผลนี่คู่แรก คู่ที่สองส ก, กิทาคามีมัคทําไปเรื่อยก็ได้ส ก, กิทาคามีผลปฏิบัติไปเรื่อยอนาคามีมัคอนาคารมีผลนะแล้วก็ไม่ไม่พอใจก็ปฏิบัติไปเรื่อยอัรหัตมัคทางเดินของพระ อ, อรหันนะพอบรรลุถึงขั้นสูงสุดแล้วก็เป็นอรหัตผลสีคู่แปดบุรุษเป็นสมควรแก่สักการะและบูชานี่คือพระลิยสง์หมายถึงสภาวะจิตดวงนั้น ไม่ได้เกี่ยวกับอาชีพเครื่องแต่งกายสังขารร่างกายนี่เป็นแค่เครื่องมือของจิตไม่ใช่แค่มาติดรูปแบบต่างๆแต่รูปแบบมันเป็นสมมุติบัญญัติที่เราตกลงกันมันเหมือนกฎหมายบ้านเมืองเนี่ยนะถ้าเราผิดกฎหมายแล้วก็ถูกลงโทษนะอันนี้เราก็ไม่ละเลยแต่อย่าไปหลงติดมัน ถ้ากฎหมายมันดีจริงเราจะไปเลือกผู้แทนนั้นมันเสียเวลาทำไมมาแก้กฎหมายก็มันไม่ดีมันไม่ทันสมัยไก็ถึงต้องเลือกแต่ตอนนี้เอากฎหมายมาห้ามหันกันนะเธอก็ผิดกฎหมายก็ผิดไปเห็นไหล่ะอันนั้นก็เป็นกติกามนุษย์ทําได้แค่นั้นไงแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเรามีคุณธรรมประจาใจแล้วเนี่ยไม่ต้องทะเลาะ ก, กันแล้วตอนนี้ทุกคนก็พูดบ่อยๆนะ เธอต้องมีคุณธรรมเธอมีคุณธรรมไอต้ตนไอ้คนนั้นไม่มีคุณธรรมแม้กระทั้งเรื่องจริยธรรมเหมือนกันนะแล้วเร็วนี้ครูพรอครูเนี่ยที่ด่านเม่นครูอ ว, วิโสเนี่ยไม่กล้าถามตรงๆเนี่ยบอกครูโก้ช่วยบอกพระครูหน่อยขอห้องพิเศษห้องหนึ่งว่าจะเอาไปทไําไหมเขาบอกจะสอนวิชาจริยธรรมบอกคุณจะไปสอนอะไรสอนให้มันไหว้แบบไหนหที่มันถูกวิธีนะบอกจริยธรรมไม่ใช่ ไม่ใช่วิชาเป็นจริยวัดที่ต้องทำทุกวันวัฒนธรรมของแต่ละประเทศเป็นจริยวัรเมื่อเราทำบ่อยๆมันก็เคยชินยังเด็กๆเห็นไหมยังไม่ได้ไปโรงเรียนเลยเราเป็นคนไทยทําไมเดี๋ยวมันพูดไทยได้นั่นคือจริยวัรไงแต่พอไปเรียนภาษาไทยนี่สอบตกเป็นวิชาแล้วสอบตก ตอนนั้มันไปใช้ความจำสมองซีกสายแล้วจะเรียยธรรมไม่ใช่เป็นเรื่องนั่งสอนทำไปพ่อแม่คุยกันมันก็ได้ยินเห็นไมแต่ตอนนี้เราให้มันท่องจาท่องจำท่องจาเพื่อให้มันสอบได้มันจำได้บ้างไม่ได้บ้างเด็กไทยตอนนี้สอบตกภาษาไทยทั้งประเทศเฉลี่ยแล้วไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นเพราะมันไม่เป็นจริยวัตร มันเป็นวิชาเรามีโอกาสมีบุญแล้วนะได้มาพบคำสอนพระพุทธเจ้าอย่าปล่อยให้โอกาสนั้นมันผ่านไปเราจะเสียเวลาชีวิตเราทุกคนต้องมีอาชีพในการที่ทำอาชีพนั้นแหละก็ต้องปฏิบัติ ด, ด้วยไม่ต้องไปเรียนไม่ต้องไปฝึกเป็นวิชาปฏิบัติจริง อยู่ปัจจุบันตลอดขับรถก็อยู่กับการขับรถตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวกับขับไม่ใช่ขับด้วยฟังโทรศัพท์ด้วยคิดด้วยพูดด้วยอันนั้นคอร์รัปชันหน้าที่ธรรมะคือหน้าที่ต้องซื่อสัตย์ต่อหน้าที่เราคนที่อยู่กับตัวเองไม่อยู่กับตัวเองจะไปด่าคนอื่นเลยนี่อันนี้คอร์รัปชันหน้าที่เอาหน้าที่ฉันไงฉันฉันรักษาความดีไงคุณเป็นยมพบาลเหรอนั่นคือวิจีกรรมไง อันนี้คุณไม่ปฏิบัติทำมันผิดเราไม่ชอบเลยนั่นแหละถ้าเราทําหน้าที่เราเนี่ยอภัยทานไงไม่มีทางทะเลาะ ก, กันส่วนมันผิดมันชั่วแล้วมันจะตกนรกที่ไหนก็เรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราไม่ใช่หน้าที่เราหน่อยแล้วเราจะพ้นทุกข์ได้ยังไงเราก็เครียดมีแต่งเงี่ยหูฟังเขาฟังแล้วเอามาเก็บเอามาคิด ใครไม่พูดตามฉันก็แบ่งขั้วเหรอเธอเป็นขั้วคู่ตรงกันข้ามพวกนี้ส่วนมากสังเกตอยู่นะเป็นคนจิตใจคับแคบจุกจุกจิกจิ ก, จกติดดีแต่ตัวเองไม่เคยทำดีอะไรมากมายนะักทำดีมีเงื่อนไขดีจริงๆไม่มีเงื่อนไขการให้ทานคือสลัดออกโยนก้อนหินออกจาก อ, อกบุญคือเบาบาปคือหนัก ทำบุญแล้วหนัก อ, อกหนักใจแล้วเรียกร้องน่นเรียกสิ่งตอบแทนนั่นเน่ยมันไม่ใช่บุญมันเป็นแค่กิริยาในการทําบุญแต่มันไม่ใช่บุญกุศลจิตไม่เป็นกุศลเลยอันนั้นล่ะฝึกปฏิบัติไปจนตายก็ไม่ไปไหนนั่นแหะคือที่ฝึกตรงนั้นที่ปฏิบัติก็เหมือนทําดีอยู่แต่ไม่ละชั่วมันจะไปไหนมันดึงกันชักกระเยาอะอ ย, อย่างนี้ไงแล้วอุสาห์มเวียงทิ้งเวียงทิ้งมันสะอาดนิดหน่อยเนี่ยก็ไปทําให้มันเปื้อนอีก เบิรดอาบน้ำทุกวันพรุ่งนี้ก็เปื้อนอีกอาบน้ำทุกวันก็เปื้อนอีกยิ่งไม่อาบก็ยิ่งเปื้อนเสียเวลาชีวิตนะละชั่วก็คือหลีกเลี่ยงการสร้างกรรมใหม่แล้วก็มีโอกาสก็ทำดีการทำดีเนี่ยเป็นการสร้างบา ร, รมีและกับการเป็นลดทอนความโลภความตนีลงไปความทยานอยากเราก็น้อยลงทึงวันนี้เราสร้างกรรมเพราะเรามีอยากอยากเยอะก็สร้างกรรมเยอะ สร้างวิจีกรรมกายกรรมเหม็นเราทำไปคู่กันทำดีด้วยละชั่วด้วยแล้วก็มีเวลาว่างก็ขัดเกลจิตให้ผ่องใสวิธีการทำทานเนี่ยก็เป็นการขัดเกลจิตให้ผ่องใสอย่างหนึ่งขัดเกลความโลภสมาธิลดถอนความโกรธแต่ปัญญาต้องแก้ด้วยวิชาคือตัวปัญญาแก้มันก็ดับพลวัตวิชาได้ ตัวรู้ผิดปัญญาเรามีอยู่แล้วเต็มเปี่ยมต้องเข้าไปเอามันมาใช้ก็ต้องต้องขันตีนะเมื่อกี้ต้องอดท น, นส่วนมากไม่อดทนหรอกพอกระทบนิดหนึ่งวีนแตกเขาเรียกว่าขันแตกตอนนี้ไม่ใช่ขันแตกอ่ะโอ่งแตกเลยตอนนี้โอคงแตกทั้งบ้านทั้งเมืองอะอะไรก็ไม่รู้ ก็ดีที่สุดดีที่สุดนะเพราะครูที่นี่ถ้าไม่จำเป็นอะไรเลยไม่เคยตั้งกติกานะมีต่บอกกล่าวเกือนสติกันเห็นบอกทีนี้ขึ้นรถตู้มาสองคันมีข้อตกลงว่าขึ้นรถตู้ปุ๊บห้างพูดเรื่องการเมืองเพราะมีทุกสีอยู่ในนี้ <c oughs> ถ้าใครพูดการเมืองให้กลับบ้านเลยเพราะครูเห็นด้วย ถ้าใจิตใจเรายังไม่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วเราจะไปพูดแล้วเนี่ยมันจะมีทิฏฐิมานะมันจะมีตัวอัคติเราบอกว่าเด็กติดเกมใช่ไหมตอนนี้ผู้ใหญ่เราติดเกมติดยิ่งกว่าเด็กเด็กอีกเกมแข่งขันเสรีเกมพยาบาทติดงอมแงมพ่อครูได้ยินหัวหน้าทีมเขารายงานเมื่อวานธรรมดาไม่ได้พูดเรื่องนี้นะพ่อครู คบกันมาสาสิบปีเพิ่งคุยการเมืองสองชั่วโมงไม่เผาผีกันแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทิ้งหมดเลยอันนี้ยิ่งกว่าติดเกมไหมแล้วช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมามีจ่าคนหนึ่งชวนหลานชายกินเหล้าอยู่ที่บ้านคุยเรื่องการเมืองไม่รู้เรื่องเอามีดมาแทงหลานชายเลยมันเป็นบ้ากันไปหมดแล้ว จะเครียดแค้นอะไรกันมากมายนี่จิตพยาบาทมันมีเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขานะอย่าว่าจะมุทิตาเมตตก็ไม่มีกันเลยขั้นต้นนี้ก็สอบตกแล้วบางคนเห็นเด็กถูกมอเตอร์ไซค์ชนปึ้งหัวแตกเห็นเลือดปุ๊บเออสงสารนะแต่ทุระไม่ใช่กูไปดีกว่าไม่มีเวลาไม่มีกรุณา บางคนวิ่งไปช่วยมีกระณาอยู่นะแต่พอเขาได้ดิบได้ดีกว่าเราเนี่ยอิจฉาเขาอีกไม่มีมุ้ติตาบางคนมีเมตตากรุรณาช่วยเขาแล้วนะโอ้เขาได้ดิบ ด, ดีสาธุดีใจกับเขาเขาทําบุญสาธุบางคนว่าอวดมั่งอวดมีไปด่าเขาอีกแทนที่จะได้บุญกับเขาไง ไม่มีมุทิตาจิตเพราะอิจฉาพวกนี้อิจฉาริษยาพวกนี้เราจะเกิดพยาบาทพยาบาทนี่แรงมากละเอียดอ่อนนะเผาแล้วก็ไม่จบนะมันข้ามภพข้ามชาติบางคนมีมุทิตานะเออยินดีกับเขาด้วยแต่พอวันใดวันหนึ่งเนี่ยมันตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ช่างมาเบียดเบียนเราทำให้เราสูญเสีย ไม่มีอุเบกขานิ่งไม่ได้ก็สร้างกรรมไปด่าเขาไปประเมินดูว่าเราอยู่ตรงไหนถ้าเราไม่ได้แค่นี้อย่าไปคิดพลทุกข์นะอันนี้แค่พรมวิหารอันนี้เป็นแค่ที่อยู่ของผมคือมนุษย์ผู้เสรฐเท่านั้นเองอันนี้พรมวิหารนะอุเบกขาของพรมนี่ยังมีอามิตรอยู่ยังมีความรู้สึกอยู่ไม่พอใจแต่อภัยให้อภัยทาน แต่ความไม่พอใจนั้นมันบันทึกสัญญาแล้วแต่เรามีสติเรามีเมตตากรุนนามุทิตาเราก็เลยข้ามถึงอุเบกขาได้ก็คือว่าเราไม่ต้องสร้างกรรมใหม่แต่ว่าเรามีความรู้สึกกระทบความรู้สึกเราแล้วอันนี้คืออุเบกขาของผมอุเบกขาของพระริยะเนะ่อุเบกขาสัมโพชงไม่ต้องให้อภัยด้วยเพราะว่าเราไม่ได้รู้สึกเลยว่าเขาผิด มันเป็นอุเบกขาแบบธรรมชาติไม่ต้องเสียเวลาให้อภัยแต่ถ้าเราอุเบกขาของผมไม่ได้เลยเนี่ยอย่าไปคิดว่าเราจะเป็นพระอริยะได้จริงๆแล้วมันง่ายมากไม่ต้องซื้อตั๋วไม่ต้องขอวีซ่าเลยแค่เรากล้าฝืนกิเลสตัวเองเท่านั้นเองแค่นั้นเองนะกิเลสมันก็ไม่ได้ถือ o อเอ็มสิบหกมาด้วยทั้งหน่อยหนึ่ง แต่เราทำไมแคร์มันมากมายนักเราแคร์มันมากเราสู้มันได้ไม่ได้เห็นไหมพอเขาว่าเราหน่อยหนึ่งแฟบหมดเลยแฟบหมดเลยมันลูกป่งกำลังเป่าอยู่เนี่ยเอาเข็มแตกปังกำลังเป่าอยู่ดีๆโกรธปุ๊บแฟบเลยก็มานั่งเป่ากันใหม่เสียพลังเยอะมากนี่แหละไม่ใช่ฝึกสตินะ ต้องใช้สติระวังสมรวมระวังต้องใช้เรามีสติอยู่แล้วอย่างเต็มเปี่ยมนะเรามีสติสัมโพชงมันเป็นสติโดยธรรมชาติมีอยู่แล้วถ้าเด็กมันไม่มีอันนี้มันเกิดมามันดูดนมไม่เป็นนะมันมีตัวนี้แต่ตอนนี้มันถูกกบเกินด้วยอ ว, วิชชาด้วยความโลภโกรธหลงกลายเป็นคนขาดสติสติมันไม่พอไง มันขาดกำลังของสติมันสู้อารมณ์ไม่ได้เรียกว่าขาดสติพอทำอะไรด้วยอารมณ์ปุ๊บเป็นกรรมดังนั้นแหละอารมณ์ดีก็เป็นกรรมดีอารมณ์ร้ายก็เป็นกรรมชั่วแต่ทั้งกรรมดีกรรมชั่วก็ต้องไปรับทำดีทำแค่พอดีไม่ใช่กรรมเป็นสุญญาตาทานเป็นทานซึ่งไม่มีอามิ t h นั่นแหละคืออริยสมบัตินะก็พวอครูที่จะทุกอย่างเป่งออกมานี่ก็จากคำฐานมันแหละไอ้เรื่องอุเบกขามีฝรั่งคนหนึ่งเขาศึกษาพุทธศาสนาเขาอาจจะลองภูมิหรือว่าเขาอาจจะไม่เข้าใจจริงๆทําไมอุเบกขามีหลายแห่งจังนะเมตตากรุ้นามนี่ตาอุเบกขานะแล้วก็พ่อชงเจ็ดอุเบกขาสัมโพ่อชงจิตพ่อครูก็ตอบออกมาเลยหูปัจจุบันก็ได้ยินจิตปัจจุบันก็ได้ปัญญาใหม่ เพราะไม่เคยมีหนังสือเล่มไหนเขาบอกเราว่ามันเป็นแบบนี้ถ้าเราเข้าถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจภาษาที่เขาเขียนไว้ันทไว้เราจะไม่ต้องไปแปลผิดไปทะเลาะ ก, กันว่านิพานเป็นอัตตาหรืออนัตตามันไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นหละถ้ายังเป็นอยู่มันนิพานไม่ได้นะก็ช่วงนี้ก็ฝากทุกคนนะ ยิ่งขึ้นไม่ใช่ขึ้นเฉพาะเมืองไทยขึ้นโลกขึ้นจั ก, กรวาลมันกำลังแปลเปลี่ยนภาทิตเหมือนดวงเก่าแต่ไม่เหมือนเก่าไอ้เรื่องกิีนเฮาเอฟเฟกนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ดวงภาทิตเองเนี่ยพลังกระจายความร้อนเขาเนี่ยเหมือนโลกเราอยู่ๆเห็นไหมเราอยู่ดีๆมาตอนนี้ภูเขาไฟก็ระเบิดขึ้นแผ่นดินไหวก็มากขึ้น ภาทิ่ก็เหมือนกันนะทำไมพวกครูต้องสร้างโดมให้เด็กเราทำสนามตรงนั้นแล้วก็มีเสาธงนะตอนเช้าเขาลกธงชาติไม่ได้พ่อครูยี่สิบกว่าปีนี่ตอนเช้าๆพ่อครูก็เดินไปรับแสงแดดยามเช้าออกกำลังกายด้วยตอนนี้ถ้า้าทิตขึ้นแล้วเดินไม่ได้แสงมันเปลี่ยน แล้วก็ดวงจันทร์เนี่ยแค่เซี่ยวนิดเดียวเองก็สงกดก่อนหน้านี้ไม่มีเพราะที่นี่เปิดโล่งยี่สิกว่าปีพะ่ะครูดูท้องฟ้าทุกวันดูจักรวาลจักรวาลก็กำลังเปลี่ยนเพราะแสงอาทิตย์นี่แรงขึ้นแค่เสี่ยวเดียวสรงกดซึ่งมันไม่เคยมีตอนนี้มันมีแล้วนะแล้วก็ลุงกินน้าเนี่ยตีลังกากลับอะไรพวกนี้นะ คือว่าตอนนี้จั ก, กรวาลเองเนี่ยมันก็เริ่มเปรอะแล้วโรคมันเอียงนะจั ก, กรวาลมันอยู่ของมันน่ะเนื่องจากโลกเอียงตอนเกิดซินามีขึ้นมาเนี่ยนะโลกมันเอียงนิดหนึ่งมันมีผลนะไอ้ตรงที่มันไม่เคยร้อนก็ร้อนไอ้ตัวที่ไม่เคยหนาวก็หนาวเพราะนิดเดียวเองเนี่เพราะว่าแสงอาทิตย์มันห่างกับเราเนี่ยเขาบอกความเร็วของแสงจากอาทิตย์แสงหนึ่งมาถึงโลกเนี่ยต้องคิดเป็นหมื่นกว่าปีนะแต่ละแสงนะมนุษย์เราไม่มีวันไปถึงตรงนั้นหรอกเราตายก่อนร้อยปีก็ตายแล้ว แต่ผู้เจ้าจิตพระ อ, องค์ไปมาแล้วนะวิทยาศาสตร์ยังไปไม่ถึงตรงนั้นเอาเป็นว่าจักรวาลก็เปลี่ยนโลกก็เปลี่ยนเห็นไหมดินฟ้าอากาศตอนนี้เปลี่ยนมันสวิงร้อนก็ร้อนสุดขั้วหนาวก็หนาวสุดขั้วเมืองไทยยังมีบุญเยอะนะภูมิประเทศที่เราตั้งอยู่อย่างนี้มันเปลี่ยนอยู่ยังพออยู่ได้ แต่พวกขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้เหไหมถ้าเราไม่ทำวางตัวเป็นกลางเนี่ยเราจะโดนกระทบมากคำว่าเป็นกลางก็คือไม่ใช่ว่าฉันไม่ปฏิเสธฉันปฏิเสธซ้ายขวาไม่ใช่ยอมรับมันหมดนะอย่างตำกพระโพธิสัตว์กวนอิมเนี่ยเจ้าภาพที่เขาเอากวนอิมอทรงมังกรมาเนี่ย พอเขาไปทําพิธีเพราะครูทําพิธีไม่เป็นหรอกแต่เขาจะทําก็ให้เขาทำใช่ไหมเป็นกลางไม่ได้หวังว่าเราฏิเสธอะไรเลยพอเขาทําเสร็จเขาบอกว่าเอ๊ะน่าจะมีหลังคานะงคงควรอิมจะได้อยู่นานหน่อยหนึ่งเขาก็แนะนําว่าควรจะเป็นเก๋งจีนหกเหลี่ยมแปดเหลี่ยมอะไรเนี่ยนะพ่อครูก็ไปยืนดูคําว่าหลังคาก็คือป้องกัน ป้องกันอะไรป้องกันแดดป้องกันฝนมันไม่เห็นเลยว่าเก่งมันเก่งหกเหลี่ยมแปดเหลี่ย ม, มกลายเป็นปีร์มิธไงก็แค่คุมหลังคาก็พอละและข้างบนเหลี่ยมตรงนั้นก็บริบูรณ์พรมสาลีกระถาทุกอย่างมันเป็นแค่สมมุติแต่เราไปติดลัทธินิกายแล้วต้องเป็นแบบนี้พอเข้ามาอยู่ที่นึงเขาไม่เห็นตำหนักเราเนี่ยนะเขารับไม่ได้กวนอิมอะไรมีพญายนาคด้วย มีลิงด้วยมีคุดด้วยนี่คือทางสายกลางป่าไม้มีทั้งต้นไม้ใหญ่ต้นไม้เล็กสัตว์นานาชนิดอยู่ด้วยกันอย่าไปแยกขั้วคนที่มีลทัทธินิกายอยู่เนี่ยเขาจะติดบ่วงตรงนั้นถ้าไม่ใช่อย่างนั้นก็คือไม่ใช่มันจึงทุกข์กันทะเลาะ ก, กันอยู่ทุกวันนี้ไงนี่ใช่ไม่ใช่ถามว่ามีอะไรใช่เหรอวันนั้นใครถามบอกกูอยู่ พระครูเราจะรู้ได้ยังไงอะที่เราเห็นมันจริงก็บอกเวี่ยงทิ้งไยมีอะไรจริงบ้างผู้เจ้าบอกเองระหว่างทางเดินไปเห็นพระพุทธองค์เดินมาเนี่ฆ่าพระองค์ทิ้งเลยไม่ใช่พระครูพูดนะเดี๋ยวหาว่าลบหลู่พระองค์ผู้เจ้าตัดไว้ผู้เจ้าไม่ได้มาเล่นขายหนุ่มคกอย่างนี้หรอกแต่จิตมันสร้างนิมิตขึ้นมาไงมันสร้างภาพขึ้นมามันมาสอบจิตปัจจุบันว่าเหวี่ยงไหมใครกล้าเวี่ยงผู้เจ้าทิ้งบ้างยกมือขึ้น เรื่องอะไรจะเวียงฉันสแสวงหามาตั้งนานเขาบอกว่าผู้ใดเห็นธรรมวุฒนั้นเห็นเราตะถาคดอุ้ยเราเห็นแล้วเราเห็นธรรมแล้วไงจิตมันหลอกเรานะถามว่าพระพุทธเจ้าบางคนนั่งอุ้ยปับพื้นปิติเห็นพระพุทธเจ้าแล้วไงเห็นธรรมแล้วเนี่ยไม่อยากออกจากกรรมฐานเลยน้ำตาไหลพื้นปิติมากไม่ใช่โศกเศร้านะไม่อยากออกเลยแต่หมดเวลาแล้วต้องไปกินข้าวมาเล่าให้พ่อกูฟังว่าเนี่ยไม่อยากออกเลยว่าพระพุทธเจ้าเป็นแบบไหนโน่นเป็นแบบพระพุทธรูป บอกเคยเห็นเจ้าชายสิทธาหรือเปล่าก็นั่งร้องไห้ถูกดถูกหลอกไงมีอะไรจริงบ้างเราเห็นจริงแต่สิ่งที่เราเห็นมันไม่จริงเราไประลึกชาติอดีตเราเคยเป็นนายกยิ่งใหญ่มากเราก็ไปหลงความนายกเราก็บันทึกเป็นสัญญาไว้พอเรารีไว้ปุบอารมณ์นายกก็แสดงตัวขึ้นมาอีกเวียงทิ้งนายกมันตายไปแล้วมันเป็นอนัตตาแล้วไง มีความจริงเหรอมันเคยจริงตอนนั้นน่ะตอนนี้ตัวเราเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ยังไม่ตายเลยเดี๋ยวนี้มันก็ยังไม่จริงเลยมันประกอบด้วยดินน้ำลมไฟแต่เราไปยึดมั่นถือมั่นตัวชั้นตัวชั้นสั่งไอ้ตัวชั้นเนี่ยเธอห้ามแกนะเธอห้ามเจ็บเธอห้ามตายนะฉันไม่ชอบมันฟังเราไหมมันไม่ฟังเรามันก็เป็นแค่ของแค่ชั่วครู่อันนัตตาเพราะคูไม่ชอบเลยว่าแปลว่าไม่ ไม่มีตัวตนเดี๋ยวมันจะเข้าใจผิดอ่ะเอาไปนว่าไม่ใช่ตัวตนที่แน่นอนมันมีอยู่แต่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่สลายถ้าเกิดว่าไม่มีตัวตนแล้วเนี่ยอะไรเกิดขึ้นอะไรตั้งอยู่มันไม่ใช่ตัวตนที่แน่นอนมันเกิดขึ้นตอนนี้เหมือนมันไ อ, ไอตัวล่างตรงนี้ดินน้ำลมไฟก้อนนี้มันยังอยู่นะ แต่มันก็เปลี่ยนไงมันไม่เที่ยงเพราะอะไรเพราะมันเป็นอนัตตาเพราะมันเป็นทุกขังมันดำรงอยู่ได้ยากเห็นไหมอนัตตาเพราะกูก็เลยบอกกันภาษาเป่งออกมามันก็หยาบแล้วล่ะเอาเป็นว่าให้มันใกล้เคียงที่สุดเพื่อไม่ให้มันต้องสับสนนะไม่ใช่ตัวตนที่แน่นอนแต่มันจะไปบอกว่าไม่มีตัวตนแล้วมันจะสับสนจริงๆแล้วก็เป็นภาษาเซนนั่นแหละนะไม่มีตัวตนแล้วใครเป็นคนเวียนไหวตายเกิด มันมีแต่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่สลายนะก็ถ้าทุกคนปฏิบัติแล้วตอนนี้ฟังพระครูเข้าใจมันไม่เข้าจิตสมองรู้แต่จิตไม่รู้มันก็วางไม่ลงหรอกยึดมั่นถือมั่นกับความรู้ตัวเองนะก็ช่วงนี้ขึ้นมันกาลัางแรงนะพ่ะครูบอกนะทุกคนยิ่งต้องอยู่กับตัวเองมากขึ้นก็เราพึ่งใครไม่ได้นะโลกเวรโลกกรรมนี่ไม่มียาวิเศษ พึ่งตนเองแต่นี่ศีลข้างนอกเนี่ยคนรักกันจ่ายแทนกันได้แต่นี่เวนีกรรมเนี่ยจ่ายแทนกันไม่ได้ใครทำคนนั้นก็ได้เราออ ก, กำลังกายเราก็แข็งแรงเราจะแบ่งความแข็งแรงของเราให้คนที่เรารักได้ไหมก็ไม่ได้ถ้าเรารักเขาเราต้องบอกให้เขาออกกำลังกายถ้าเรารักเขาจริงๆเราก็แนะนาให้เขามาเดินทางธรรมเพราะทางธรรมเท่านั้น เป็นทางทางเดียวที่จะแก้ปัญหาเขาได้พระเจ้าบอกเป็นทางทางเดียวแต่อุบายวิธีเทคนิคนั้นมันเป็นเรื่องข้อปีกย่อยเรื่องไม่มีสาระอะไรบางคนยังไม่ปฏิบัติเลยไม่มีเทคนิคอะไรเลยเหมือนพาหิยะผู้เจ้าเทศคําเดียวนี่ไม่ใช่สามชั่วโมงนะแค่สามวีมันรู้ทำแล้วทําไมไม่มาฝึกทีละขั้นทีละขั้น เน้นมณฑิตเจ็ดขวบปวดแค่แปดวันมารู้อรหันต์แล้วทําไมไม่ฝึกฌานหนึ่งฌานสองฌานสานฌานสี่อันนั้นเป็นแค่วิชาการเขาแยกแยะให้เห็นว่ากระบวนการมันระดับมันเป็นอย่างนี้แต่เรารู้ได้ยังไงว่าจิตเราอยู่ระดับไหนที่ฝึกมาลหลายชาติมันศูนย์เปล่าใช่ไหมก็ข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เข้าไปจ่ายนีิกรรมเก่าด้วยแล้วก็ไปเอาของเก่าบารมีเก่าเรามาต่อยอด ใช่มมันไม่มีสูตรสาเร็จไม่เป็นวิชาแน่นอนว่าทุกคนมาเรียนกี่วันเท่ากันกี่ปีก็จบเหมือนกันนะ่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่ตอนนี้คนคิดแบบตัดกะโดยเฉพาะไอ้แข่งขันเสรีเกิดวิตกจริตกลัวแพ้กลัวเสียเปรียบไม่ใช่เรื่องตัวเองสักหน่อยหนึ่งเนาะเอ่ยยึดมั่นถือมั่นกับความคิดตัวเองอะไรเนี่ยนะแล้วมันจะไปไหนล่ะมันไม่ก้าวหน้า ต้องฝึกฝืนกิเลสตัวหน่อยตัวเองหน่อยหนึ่งฝืนมันปลาเป็นทวนน้ําปลาตายตามน้ําถ้าปลามันมักง่ายนะมันทวนกระแสมันไม่ต้องว่ายเลยตกทะเลมันตายหมดเห็นไหมมันไม่ทําเพราะมันมีสัญชาตญาณญาณรู้ซึ่งเป็นสัญญาในอดีตชาติมันจําได้หมายรู้ว่ามันต้องทวนกระแสแต่ทุกวันนี้ สัญชาตญาณเราเนี่ยถูกกิเลสบล็อกไปอยู่เราก็ไปตามกระแสะโลกตามไปว่าไม่ทันโอเคนะพ่อครูก็ใช้เวลาพอสมควรเราจะได้มีเวลาช่วงนิดหนึง่งยืดเสน้นยืดสายหน่อยห น, นึ่งนี่ปฏิบัติธรรมเดี๋ยวขออีกสามวนาทีนิดนหนึ่งนาทีเดียวก็พอเนาะก่อนจะจบนะเซนเขาสอนอย่างนี้ มีครูบาอาจารย์เซนเนถูกนิมนต์ไปแสดงธรรมพอเดินมาปุ๊บครูบาอาจารย์พระภิกษุ ส, สงฆ์หลายรอบนั่งตัวตรงเลยท่านด่าเลยมานั่งอยู่ทําไมทําไมไม่ปฏิบัติธรรมเอาทุกคนก็หลงงงก็หลงปฏิบัติธรรมอยู่ไงไมปปฏิบัติธรรมไปดูไงพระองค์นั้นปฏิบัติธรรมอยู่นอนโวยเปอยู่ไงไอที่นั่งสมาธิเนี่ยเป็นแค่ฝึกสมาธิ ฝึกวิชาสติมันไม่ใช่ปฏิบัติธรรมสัหน่อยหนึ่งธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะปฏิบัติธรรมคือมรรคผลนิพพานเห็นไหมเต้นก็รู้ตัวเห็นไหมเสียงดังก็เอามาใช้ประโยชน์เอาเสียงนี่แหละเป็นจังหวะเงียบก็รู้เท่าทันมันไม่ใช่ไป น, นั่งกดมันเฉยๆนั่นไม่ใช่ปฏิบัติธรรมอันนั้นเป็นแค่ฝึกวิชาสมาธิฝึกวิชาสติแล้วนไม่ใช่ปฏิบัติธรรม ให้เข้าใจเรื่องนี้แล้วเราจะเข้าใจสิ่งที่เราทํานะแล้วใครสั่งให้เราปฏิบัติท่านนวนท่านี้จิตเดิมนังไงเขาก็มาสอนจิตปัจจุบันให้รู้เท่าทันไหมเรากําลังปฏิบัติธรรมไงแต่ถ้าเราไปฝึกสมรรถะเราตระหมดรู้อยู่แล้วเป็นยังไงเราก็ควบคุมได้อ น, นั้นเด็กๆก็ทําได้อันนี้มันเกิดขึ้นมันไม่บอกเราไงเราต้องปฏิบัติธรรมโดยตั้งมั่นรู้เท่าทันมันนี่คือปฏิบัติธรรมโอเคนะ